พวกเราภาวนาเนียมีใครรู้สึกว่าไม่เจริญขึ้นบ้างมีไหมย้ยงมือให้ดูหน่อยไปสำรวจตัวเองนะทำไมไม่เจริญนะทำไมคนส่วนใหญ่เขาบเขารู้สึกเจริญขึ้นอันแรกเลยทำถูกไหมอันที่สองทำพอไหมนะรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นแม่นเรีทำให้ถูก ส่วนใหญ่ที่ผิดมันจิมสุดโต่ไปสองฝังไม่หย่อนไปก็ตึงไปเวลาไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติก็ลืมเนื้อลืมตัวขาสติใจล่องลอยเวลาลงมือปฏิบัติก็บังคับตัวเองถ้าอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกถ้าปฏิบัติถูกนะแล้วก็มีสติรู้รูปรู้รนามไปใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปแทรกแซง หเห็นรูปนามเขาทํางานไปหเห็นใจเห็นใจทํางานไปยังเรียกว่าทําถูกอย่างความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติให้หายโกรธความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นว่าสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเลยเนี่เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องจากปฏิบัติถูกแล้วต้องปฏิบัติให้มากพอนานๆทำทีหนึ่ง ไม่พอวันหนึ่งวันหนึ่งกิเลสเกิดมากมายกิเลสเกิดแทบจะทั้งวันกิเลสเกิดแทบทั้งคืนนานๆจะมีสติทีหนึ่งสู้กันไม่ไหวงั้นพยายามมีสติตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกเลยอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นคราวญพอตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจิตมันเคลื่อนขึ้นจากรวังเรารู้เลยมันเคลื่อนขึ้นมานะเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาสเต็ปที่ถิงที่แรกเคลื่อนขึ้นมาก่อน เขาคลื่อนขึ้นมาแล้วเหมันเหมือนเปิดสวิตชึ้นมาข้างในเรารับรู้ถึงความรู้สึกทั้งหลายรับรู้ถึงจิตใ จ, จตัวเองเปิดสวิตสเต็ปที่สองวความรู้สึกตัวขยายออกไปไปกระทบร่างกายร่างกายถึงจะปรากฏขึ้นมานหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาสตั้งแต่ตื่นนอนไม่ใช่ตื่นนอนก็บิดไปบิดมาคิดนั่งคิดนี่ไปเลยเสียเวลา ส่วนใหญ่ที่พอนาแล้วไม่ค่อยเจริญนะเราแบ่งเวลาของการปฏิบัติที่จริงแล้วถ้าอยากเจริญนะเราไม่แยกเวลามีสติเมนะื่อไหร่ะมีโอกาสที่จะรู้สึกตัวได้เมื่อไหรรู้สึกเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยนี่บางคนที่ว่าแบ่งเวลาไว้แล้ววันหนึ่งปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเวลาอื่นเอาไว้หลงอย่างนี้ไม่ได้กินอ่ะไม่เคยมีใครปฏิบัติแล้วได้ผลด้วยวิธีนี้เลย มีแต่ว่าชีวิต จ, จิตใจของเรานี่แหลคือการปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับโยกเว้นยก เ, เว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี่ยสติอยู่ที่งานสมาธิอยู่ที่งานปัญญาไปคิดเรื่องงานนแต่เวลาที่เหลือจากการทำงานที่ต้องใช้ความคิดนียทั้งหมดนั้นเอาไวป้ปฏิบัติเนปฏิบัติตาลุมบอลอย่างนั้มันจะเครียดไปบางครั้งเราก็ต้องรู้จักผ่อนคลาย ทําใจให้สงบมากไม่ใช่เจริญปัญญาทั่วไปถ้าทําความสงบไม่เป็นต้องหาอารมณ์ที่มีความสุขที่อารมณ์ที่สบายๆมาให้จิตได้พักผ่อนเป็นช่วงๆไปเรางพ่อนั่งสมาธิเอาแต่ว่าบางครั้งที่ทํางานเนี่ยงานมันเครียดมากเลยานามันหนักมากแล้วเครียดมากเลยก็ อ, อยู่สภาความมั่นคงแล้วบ้านเมืองก็วุ่นวายมากประเทศไทยจะล่มหรือไม่ล่มยังไม่แน่เลยนะบางช่วงนั คล้ายๆกองทับคนอื่นนัเข้ามาชีดชายดแดนเราล้วตีเข้ามาไม่กี่วันก็ถึงกรุงเทพแล้ววิญามันเครียดไปหมดกลับบ้านนั้นอยู่ๆไปนั่งสมาธินั่นนั่งไม่ลงแล้วใจไม่ลงเลยเพราะว่ามันเครียดมาทั้งวันงานมันหนักมากเลยหลวงฝ้าไปซื้อการ์ตูนมานอน่นเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือการ์ตูนที่หลวงพ่อทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะทําให้จิตผ่อนคลาย น, นี่พวกเราบางคนเครียดมาก เราชอบร้องเพลงไปร้องเพลงร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแนละ้วถ้าเราร้องแบบมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่ร้องแบบเพิรเจอร้องแบบเลื่อนลอยร้องแบบเอามันเปลืนลนไปเราร้องเพลงไปแล้วใจเรามีความสุขแค่เราผ่อนคลายอย่างนี้เรามาปฏิบัติต่อเพราะการร้องเพลงและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติคือการทําสมถะกรรมฐานนะทําให้จิตได้ผ่อนคลายดงั้นถ้าเรารู้จักหลักของการปฏิบัติ ให้แม่นแล้วนะว่าไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้รู้กายอย่างที่กลายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะแล้วก็ปฏิบัติให้มากพอตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตอนไหนทํางานที่ต้องคิดอันนั้นยกเว้นนะเนี่ยถ้าฝึกได้อย่างนี้นะกระทั่งตอนนอนหลับตอนนอนหลับเนี่ยถ้าเกิดฝันไม่ดีขึ้นมาปุ๊บสติจะทํางานอัตโนมัติเลยใครเวลาฝันร้ายแล้วโกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยในฝันเนี่ยเรารู้ว่าโกรธมีไหมเรายกมือให้ดูนะซิมีไหม เอออย่างนี้ดีนะโอกาสตกนรกเนี่ยต่ําแต่ไม่ได้บอกไม่มีนะะอยู่ในระดับต่ําเท่านั้นถ้าจะไม่มีต้องเป็นพระโสดา บ, บันละทําไมล่ะพระเวลาจะตายนิมิตมันเกิดถ้านิมิตไม่ดีเกิดอย่างเห็นไฟนรกพุ่เข้ามาเนี่ยใจเป็นกลัวใจเป็นกลัวนี่ย จ, จิตเป็นโทสะเราะระลึกรู้ว่าเนี่ใจกํลาลังกลัวนะนรกนั้นดับเลยนะนิมิตอ น, น, นั้นจะดับเลยงั้นไม่ไป น, นรกละ เนีย่ยเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนตื่นนะถึงตอนหลับเนี่ยมันจะทําของมันเองเราไม่ได้จงใจจะปฏิบัติอย่างถ้าเราภาวนาให้มากตั้งแต่ตื่นรู้สึกไปทั้งวันรู้สึกไปทั้งวันกลางคืนไหวพระสวดมนต์ทําในรูปแบบกลางวันจเจริญสติในชีวิตประจําวันทําไปเรื่อยๆหรือในเวลากลางวันมีเวลาหนาที10นาทีเรามาทําในรูปแบบอาจจะรูปแบบไม่ต้องไปเดินให้คนเห็นก็ได้ เราเดินเหมือนเดินเล่นนี่แหละเดินเหมือนเดินไปเที่ยวเดินไปเล่นเดินไปดูน้อนดูนี่แต่เรารู้สึกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยทำในรูปแบบโดยที่คนอื่นไม่รู้เลยเราไม่ต้องวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติให้คนอื่นเห็นถ้าพวกเราวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติให้คนอื่นเห็นนะคนอื่นมาเจอเรียกร้องกับเราสูงอย่างถ้าเราโกรธขึ้นมานะมันจะว่าเราว่าปฏิบัติยังไงยังชี้โมโหอยู่ะถ้ามาบอกหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่ อ, อบอกกูไม่ใช่พระนักขานะ เนอะยังโกรดอยู่ต้องกูหน่อยเหรือปฏิบัติยังไงวะเห็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วยังมองะผมบอกก็ดีกว่ามองผู้ชายเราปะเออก็ยังมีกิเลสอ่ะนแต่ถ้าเราภาวนาแล้วคนอื่นเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่เรียกร้องไม่คาดหวังกับเรามากเราภาวนาสบายไม่ต้องโชว์ให้เขาเห็นหรอกอย่างหลวงพ่อนะกลางวันกินข้าวอะไรเนี่ย จะเดินออกจากที่ทํางานไปวัดใกล้ๆที่ทํางานคนถามว่าไปทําอะไรไปไหว้พระไปไหว้พระไปด่าโบสถ์แล้วไหว้แล้วก็เดินกลับแล้วที่จริงเราไปเดินจงกรมทุกก้าวที่เดินรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปนี่หลวพ่อหลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงๆาการปฏิบัติมันอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเอาไปใช้ปฏิบัติได้ยกเป็นตอนที่ทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นเองแต่ตอนนอนหลับนะ อะไรเกิดขึ้นเนี่ยสติมันทำงานบางครั้งไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีนะร่างกายมันหลับเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อนหลายชั่วโมงแต่จิตต้องการพักผ่อนไม่นานหรอกนะพอจิตมันพักผ่อนไม่นานนะจิตมันตื่นจิตมันตื่นแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกไว้ชำนาญนะจิตรู้สึกขึ้นมาถ้ามันไม่มีงานอะไรที่จะต้องคิดพิจารณาะจิตจะสว่างขึ้นมาเฉยๆสว่างโครงขึ้นมานะเราอยู่กับแสงสว่าง อยู่กความสงบของจิตมนะัมีความสุขมีความสบายร่างกายได้พักผ่อนจิตใจก็ได้พักผ่อนทั้งๆ ท, ท, ที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะใจมันตื่นแต่ร่างกายมันหลับเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะเราได้ปฏิบัติได้ทั้งวันปฏิบัติได้ทั้งคืนไม่ได้มีอะไรยากหรอกการปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันเป็นการยกระดับใจของเราไม่มีงานสองส่วนที่ว่าสมถะปฎิปัสสนาศรนทุกวันเรื่องนี้สมถะเนี่ยฝึกให้ใจมีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อน มีกําลังที่จะไปเจริญปัญญามีปัศนาเนี่ยฝึอกอบรมให้จิตมันได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าจิตมันเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วจิตมันจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันจะวางถ้าจิตเข้าใจความเป็นจริงของกายมันจะปล่อยวางกายถ้าเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจมันจะปล่อยวางจิตใจมันยึดต่อไปไม่ได้หรอกเพราะว่ากายนี่ไม่ใช่ของดีของพิเศษ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทางใจไม่ใช่ของดีของพิเศษหรือเวลาเขาจะวางของเขาเองหน้าที่เราก็คือเรียนรู้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆ ร, ระหว่างเรียนรู้ความจริงนะถ้าดูจิตได้ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ออกดูกายตอนไหนทําอะไรไม่ได้กลัมาทําสมถะวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปนี่การที่เราจะทําสมถะนะหลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆสมถะไม่ยากอะไร น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมไปไม่ได้บังคับจิตจิตต้องมีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขสุขสุขเจอกันแป๊บเดียวสงบเลยเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าใจเรามีความสุขเราไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขเลยจะสงบอย่างรวดเร็วเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขไปสํารวจเอาใครอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขยกมือซีมีไหม โอ้เยอะนะใครอยู่กับการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนอย่าเงี้ยหรือเดินจงกรมแล้วมีความสุขย่อมเอือซใครอยู่กับเมียแล้วมีความสุขไม่ใช่กรรมาฐานแล้วนะนี่มีเยอะเลยอต้องอยู่กับอารมณ์นะอารมณ์ที่ดีกอารมณ์รูปอารมณ์นามเนี่ยเราต่อยอดง่ายนะแต่ถ้าอยู่อารมณ์อื่นมีความสุขมันย่อจิเล เยอะกิเลสใจมันฟุ้งซ่านกลับขึ้นมาอีกงั้นเราถ้ารู้รู้จักนะรู้จักใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ที่มีความสุขต้องไปสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็ใช้อารมณ์มันั้นแหละอารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เยอะกิเลสแล้วก็เทคนิคสําคัญก็คือตอนที่จะไปรู้อารมณนะ์เนี่ยต้องรู้ด้วยใจที่มีความสุขด้วยงั้นหลวงพ่อถึงสอนพวกเราบ่อยๆอะก่อนจะภาวนา ย, ยิ้ไว้ก่อนอนะ่ะ ยิ้มหวานๆานอย่ายิ้มแต่หน้านะยิ้มให้ใจมันมีความสุขอจริงๆเลยสดชื่นสดชื่นแล้วใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยไปรู้เลยไปรู้ลมหายใจด้วยใจที่มีความสุขนะไม่กี่อึดใจหรอกสงบแล้วนะถ้าชนานาญจริงๆไม่ทันจะหายใจก็สงบแล้วนะนะฝึกไปเรื่อยๆเทคนิคมันมีถ้าเรารู้เทคนิคแล้วนะรู้กลวิธีแล้วเนี่ยไม่ยาก ส่วนการจ ะ, จะเจริญวิปัสนาเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือสําคัญนนคือสติสมาธิปัญญาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นนะเรามีสติไปทําอะไรมีสติไประลึกรู้สภาวะธรรมนะสติทําหน้าที่ระลึกรู้สภาวะธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมคือรู ป, ปรธรรมกับนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่แหละสติมีหน้าที่ระลึกรู้สภาวะธรรม ปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสภาวธรรมคือเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์สติไปรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นปัญญาไปรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาอันลดอันหนึ่งไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์ตัวสติจะเห็นตัวสภาวะของรูปธรรมนามธรรม งันเบื้องต้นก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาเราต้องหัดรู้สภาวธรรมก่อนนะถ้าเราไม่รู้จักสภาวธรรมเราจะเอาสติไประลึกรู้อะไรถ้าไ ม, ไม่รู้จักสภาวธรรมสติมันจะไปหลงไปอยู่กับอารมณ์ปัญญัติจะไปรู้เรื่องที่คิดจิตเอานะอย่างนั้นใช้อะไรไม่ได้ทํำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องรู้อารมณ์รูปนามนี่เป็นกฎเลยนะวิปัสสนาต้องรู้รูปธรรมต้องรู้นมามธรรมที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรา รูปธรรมนามธรรมเป็นของมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่นะไม่หายไปไหนหรอกอยู่ที่ว่าเราจะรู้เป็นหรือเปล่าอย่างขณะนี้เรามาดูหัดดูรูปธรรมรูปบางอย่างเนี่ยเป็นรูปที่ดูยากนะถ้าเราไม่ทรงฌานจริงๆดูไม่เห็นนะดูยากอย่างรูปแท้ๆเย่ยตัวมหาพูต ร, รูปนะดูยากรูปที่พวกเราพอจะดูได้นี่เป็นรูปที่อะไรยิงอาสัย รูปแท้ๆเกิดขึ้นมาอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอย่างนี้ตอนนี้ไม่ใช่ตัวรูปแท้ๆแล้วเป็นเราแค่เห็นอาการเคลื่อนไหวของรูปเท่านั้นเองตัวนี้เห็นด้วยใจนี่ลองมาหัดดูรูปสักรูปหนึ่งได้มอยากลองดูไหมแต่ยากนะเอาลองรูปไฟก็ได้รูปไฟไม่ใช่หลับตาแล้วคิดถึงไฟนะ ถ้าหลับตาแล้วเนี่ยมีสปอร์ตไลท์นะหันไปเนี้ยสว่างแล้วเนี่ยได้แล้วอันนี้ไม่ใช่รูปไฟอันนี้นิมิตนิมิตนี่เอาไปทำกรรมฐานอะไรไม่ได้มันอยู่ข้างนอกนะมันของหลอกลวงสังเกตไหมในร่างกายเราเนี่ยมีความร้อนอยู่เริ่มต้นรู้สึกไปที่ร่างกายตัวเองในร่างกายมีความร้อนรู้สึกไหมทําใจให้สบายอย่าเคร่งเครียดต้องสบาย ยิ้มหวานก่อนลืมบอกเอายิ้มหวานหวานแล้วรู้ลงไปที่ร่างกายเห็นไหมร่ากายมีความร้อนสังเกตไหมร่างกายแต่ละส่วนนะร้อนไม่เท่ากันตรงไหนร้อนที่สุดสังเกตดูของตัวเองแล้วก็รู้สึกอยู่เห็นไหมว่าความรู้สึกร้อนที่ว่าร้อนที่สุดะมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวร้อนมากเดี๋ยวร้อนน้อย เรื่อยค่อยๆดูไปมันเกิดดับใต้นะแต่ว่าเล่นยากไหวไหมหลวงพ่อสรุปให้ว่าไม่ไหวนะไม่ไมไมต้องมารยาดดีเดี๋ยวกลัวหลวงพ่อเสียใจสอนแล้วทำไม่ได้ไหวไหวอย่ามาหลอกกันไม่ได้กินอ่ะทาไมอันนี้ยากง่ายขึ้นมาหน่อยเราดูที่ลมหายใจสังเกตไหมลมที่เข้ามาในจมูกเนี่ยเย็นสังเกตไหมลมที่ไหลออกไปมันร้อน พอเห็นแม่ตรงนี้เห็นแล้วดูลึกลงไปอีกตอนที่ลมไหลเข้าไปข้างในข้างในเย็นสักพักหนึ่งมันก็อุณหภูมิเข้าสู่ภาวะร้อนปกติหายใจออกตอนหายใจเข้าไปอีกมันเย็นอีกดูเห็นไหมดูออกไหมลมที่เข้าไปเนะี่ยทีแรกถ้าเรารู้แค่ข้างนอกนี่นะเราก็รู้ว่าลมที่เข้านี่เย็นลมที่ออกร้อน แต่ลมเย็นที่ไหลเข้าไปเนี่ยนะมันทำให้ข้างในเย็นด้วยแล้วนะแต่บรนยานอยู่พักเดียวลมนี้ถูกแปลให้ร้อนนะร้อนเท่ากับเอาอีว่าข้างในไหลคืนออกมามเป็นลมร้อนนะถ้ายากไปก็นะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปร่างกายหายใจออกหายใจเข้ากลับมาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะอันนี้สอนให้ดูนะว่าจริงๆแล้วการดูธาตุเนี่ยยากมากดูธาตุง่ยากเวลาเราเดิน นะเวลาเราเดินนะเรารู้สึกไหมลองลองเหยียบพื้นสนะิเรานั่งอยู่แล้วลองกดลงไปแรงๆแล้วรู้สึกไหมน่องแข็งน่องแข็งขึ้นรู้สึกไหมลองยกขาขึ้นสิน่องนิ่มลงไหมยนะอย่าเกรงนะถ้าเกรงมันแข็งตลอดเงี้ยไม่ได้นะนะตอนตอนที่เราเหยียบลงไปเนี่ยมันจะแข็งตอนที่ยกขึ้นมามันนิ่มขึ้นตรงนี้คือตัวธาตุดิน ธนะาตุดินเวลาที่เราเหยียบลงไปเนี่ยธาตุดินจะเพิ่มขึ้นเวลาเรายกเท้าขึ้นมาธาตุดินจะลดลงนะเวลาที่เราเคลื่อนเนี่ยธาตุลมจะเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้ดูยากยากโคตรเลยนะถ้าไม่ส่งสมาธิจริงๆม่เห็นหรอกนั้นเราไม่ต้องเล่นถึงธาตุกรรมฐานหรอกใาุ้กรรมฐานเนี่ยเอาไว้ให้คนทรงฌานก็เล่นกันเราแค่ว่าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู แล้วก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่หรนะ ไ, ได้เห็นสภาวะคนตอนนี้สภาวะที่เห็นง่ายก็คือร่างกายที่กำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งตอนนี้ใครไม่รู้สึกว่าร่างกายนั่งมีไหมนั่งอยู่แท้ๆคิดว่ายืนเนี่ยไปปรึกษาจิตแพทย์นะคิดปกติลตัวอะไรหัวล้อเห็นไหมร่างกายหัวล้อนะค่อยรู้สึกไปเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เรียกว่าเราหัดรู้สภาวะ สภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่เคลื่อนไหวเรียกว่าวิญญาติรูปรูปวิญญาติรูปเนี่ยรู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตาเะงั้นเราไม่เราหลับตาอยู่เนี่ยเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้เราไม่ได้รู้ด้วยตาเรารู้ด้วยใจรู้ด้วยความรู้สึกเราค่อยรู้สึกไปรู้สึกไปการที่เรามีสติระลึกรู้สภาวะนี่เรียกว่ามีสติเรารู้ทันสภาวะที่กาลังปรากฏ สภาวะที่ปรากฏใ่นร่างกายกําลังหายใจออกร่างกายกําลังหายใจเข้ามีคำว่ากำลังนะร่างกายกําลังหายใจออกร่างกายกําลังหายใจเข้าร่างกายกําลังนั่งร่างกายกําลังโยกเนล่างกายคันร่างกายก็กำลังเก่าเคลื่อนไหวร้อนนะร่างกายก็พัดเนี่ยนี่ยเรารู้สึกไปได้เห็นว่ารูปเหมือนเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูการที่เรารู้สภาวะธรรมรูปธรรมเนี่ยเรามีสติ เรามีปัญญาเราเห็นว่ารูปธรรมนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั้นเวลาที่จะทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่รู้รูปอยู่เฉยๆมีสติเห็นท้องพองมีสติเห็นท้องยุบมีสติเห็นท้องพองมีสติเห็นท้องยุบไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานนะมีสติเห็นร่างกายหายใจออกมีสติเห็นร่างกายหายใจเข้ายังไม่เป็นวิปัสนากรรมฐานมีสติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอน ยังไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานมันต้องมีการหมายรู้ถึงความเป็นไตรลักษนณะ์ของรูปธรรม ท, ทั้งหลายด้วยหรือถ้าดูนามก็ต้องเห็นนมามธรรมตรงอยู่ใต้ไตรลักษณ์ด้วยอย่างรูปธรรมนี้เราจะเห็นนะร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บิบคั้นอยู่ตลอดเวลานะนั่งก็ทุกข์นะมันเมื่อยนั่งตอนนี้มีใครไม่เมื่อยเลยนั่งมาตั้งสิบห้านาทีแล้วมีไหมใครยังไม่เมื่อยยกมือซิ เป็นอำมาตย์หรือเปล่าไม่มีความรู้สึกที่ชาไปหมดอะไรนั่นแหละถ้าไม่เมื่อยจะไม่กระตุกกระดิกทําไมต้องกระตุกกระดิกยเพราะมันเมื่อยแต่ว่าเรารักษามารยาทถ้าเมื่อยแล้วเราลุกขึ้นเดินเนี่ยขณะนี้ฟังเทศแล้วลุกขึ้นเดินน่าเกลียดเรายัางลุกเดินไม่ได้นะเราก็แอ บ, บขยับขยับเอวขยับไหลขยับคอนะเมื่อยเป็นทีแล้วแอบบนิดหน่อยไม่ให้คนเห็นนะทําไมต้องขยับ เพราะว่ามันทุกข์นี่ค่อยๆสังเกตไงรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะแล้วก็เห็นนะร่างกายนี้มันทุกข์อยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เอาตอนนี้รู้สึกร่างกายยิ้มก่อนยิ้มก่อนอย่าลืมหลักสูตรยิ้มหวานเอาแล้วรู้สึกร่างกายไงรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสบายๆแล้วดูซิมีความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนเอย่าเพิ่งกระตุกกระดิกนะ การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนอิยาบทปิดบังความทุกข์เอาไว้ทุกข์บางอย่างเมื่อยไหมนั่งไนมะ่ให้กระดุกระดือ น, นะแป๊บเดียวก็เมื่อยนละ้วแต่ความจริงอ่ะม่มีทุกข์ที่ละเอียดกว่านั้นตอนนี้เราก็เคลื่อนไหวใช่ไห ม, ไมแอบหายใจอะ่ะลองไม่หายใจสิทุกทันทีเลยนะลมหายใจเนี้ยมันเคลื่อนไหว มันก็เลยปิดบงังไม่ให้เราเห็นความทุกข์นี่จริงหายใจเข้ากระทุกแล้วก็รีบหายใจออกหายใจออกก็ทุกก็รีบหายใจเข้ามันบังความทุกข์ไหมเราไม่ทันเห็นถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะแล้วเราก็ค่อยๆสังเกตไปววร่างกายนี้มันทุกข์อยู่ทุกข์หนุนทุกข์แห่งเลยนะทุกข์ตรงโน้นทุกข์ตรงนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็มีหน้าทันทีก็อยู่ตั้งนอนไม่หายเวลาเรามีสติไปรู้ความทุกข์ในใจนะถ้ารู้ถูกได้หายทันทีเลยนะ แต่ความทุกข์ในร่างกายเนี่ยมีสติไปรู้ไม่หายเพราความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้เกิดจากกิเลสไม่เหมือนความทุกข์ในใจเกิดร่วมกับโทสะแล้วโทสะหายไป ใ, ใจที่ไม่ทุกข์ละค่อยๆสังเกตไปร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราลองหายใจเข้าไปสิหายใจแล้วรู้สึกไหมรู้สึกสบา ย, บายรู้สึกไหมว่านี่มันเหมือนตัวอะไรกลวงๆอยู่มีลมไหลเข้าไปนะมีลมไหลออกมา ร่างกายเหมือนเปลือกอะไรทุกอย่างนะไปเยอะพยายาอยู่นะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นข้อน้าทายเนี่ยถ้าจะดูกายก็ดูว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ถ้าจะดูจิตนะก็ต้องรู้สภาวะก่อนความโกรธเป็นยังไง ร, รู้จักอยู่แล้วความโลภเป็นยังไง ร, รู้จักอยู่แล้วความหลงความฟุ้งซ่านความหดนหูเป็นยังไง ร, รู้จักหมดแล้วความสุขความทุกข์ทางใจรู้จักหมดแล้วนะความรู้สึกทุกชนิดทางใจเนี่ย ดู ง, ง่ายนะสภาวะธรรมที่เป็นนามนธรรมนะดู ง, ง่ายกว่ารูปธรรมมากเลยนะีจะเห็นรูปธรรมเห็นธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่ง่ายเห็นเะห็นธาตุดินเนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่ว่าความรู้สึกทางใจเนะีนะ่ยสภาวะทางใจเนะี่ยดู ง, ง่ายโกรธคือโกรธนะคนไทยโกรธหรือฝรั่งโกรธมันก็โกรธอย่างเดียวกันนันะ่นะ่ะละหรือเทวดาโกรธหมาโกรธก็แบบเดียวกันหมดเลยนะ้มันเป็นสภาวะธรรมแท้ๆเลยงั้นบางคนเข้าใจผิดนะบอกว่า ให้ไปดูรูปรูปดูง่ายนะรูปดูง่ายในฐานะของการทำสมถะนะดูสมถะดูตัวรูปือเพ่งรูปเนี่ยมันเห็นอยู่ตนโทษแต่การจะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นตัวรูปแท้ๆของมันนะเห็นธาตุดินน้าไฟลมเห็นได้ตอนแรกยากมากแต่ในขณะที่สภาวะที่เป็นนามธรรมาเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากดูรูปไม่เป็นก็ดูนามธรรมา ความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกทุกข์เกิดขึ <er ้นก็รู cœur, ้ความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกดีความรู้สึกโลภโกรดหลงเกิดขึ้นก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆการที่เรารู้สภาวะเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธเป็นวิปัสนาไหมความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธเป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นนะเราแค่รู้สภาวะเท่านั้นเองเรายังไม่ได้เห็นลักษณะยังไม่เห็นใจลัก ถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้โอ้ความโกรธปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วความโกรธนี้เป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปหรือความโกรธนี้เป็นอนัตตาไม่ได้เจตนาจะโกรธจิตโกรธได้เองอย่างเนี้เราเรียกว่าเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์แต่ไม่ใช่คิดนะแต่ถ้าไม่เห็นให้ให้คิดไปก่อนคิดนําไปก่อนเพรอจิตใจมันคุ้นเคยที่จะมองไตรลักษณ์แล้วมันก็จะเห็นไตรลักษณ์ เพราั้ปัญญานี้ต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาคําว่าเห็นก็คือคําว่าปัจสนะนั่นเองวิปัสนาปัจสนะนแปลว่าเห็นเพราะเราเห็นสภาวะของรูปธรรมของนามธรรมสแสดงไตรลักษ์ไปอย่างนี้เรียกว่าวิวเห็นแจ้งเห็นตรงความเป็นจริงหรือเห็นไตรลักษ์ของรูปธ ร, รรมนามธรรมเฉนั้นถ้าเราเห็นเฉพาะรูปธ ร, รรมนามธรรมยังไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นว่ารูปธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษ์ นามธรรมตรงอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์ น, นี่เป็นวิปัสนาจิตมันต้องรู้จักมองมองรูปธรรมในมุมของความเป็นไตรลักษณ์มองนามธรรมในมุมของความเป็นไตรลักษณ์มุมมองของจิตนี่เรียกว่าสัญญาสัญญาพวกเราเนี้ยจะมีสัญญาที่พิพากษ์คือจิตเนี้ยมันเคยชินที่จะหมายรู้ร่างกายนะหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราจิตมันจะหมายรู้ผิด แต่ถ้าเราจะทำนิพพานานี่ยต้องหมายรู้ถูกหมายรู้รูปหมายรู้นามนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ามันไปหมายรู้อย่างนี้ได้นะปัญญามัจะเกิดแต่ถ้าไปหมายรู้ผิดนะความเห็นผิดจะเกิดะจะเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราหมายรู้ผิดการหมายรู้ผิดนั่นเรียกว่าสัญญาพิปปลาร์ดพอหมายรู้ผิดมันจะเกิดการคิดที่ผิดอะไรยงคิดที่อะไรก็มีเราทุกทีเลย อันนี้เรียกว่าจิตตะวิปลาสคิดที่ผิดเขนะาคิดที่ผิดจะเกิดความเห็นที่ผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสเมื่อมันวิปลาสไปหมดมันเริ่มมาจากการที่มองผิดนะมองในมุมของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขของไม่ใช่เราว่าเป็นเราแต่เวลาที่เราทําวิปัสสนานะหัดมองนะร่างกายนี้มันเป็นทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านถามปัญจวัคคีย์รูปเป็นทุกข์รูปเป็นสุข รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงะท่านถามปัญญบักขีรูปไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดแม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์นัควรจะว่าเป็นตัวเราไหมนะควรเห็นว่าเป็นเราไหมไม่ควระดูไตรลักษณ์นั่นเองทําไมท่านถามนําถามนําเป็นปัญญาหรือย่างยังแต่ว่าเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นให้ปัญญาบักขีรู้จักหมายรู้รูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ อาจารย์ว่าขีก็เป็นหมายรู้รูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ได้ก็นะเข้าถึงท่านบารมีมากนะท่านไม่กี่วันเองนะท่านก็เป็นพระลนะหันละท่านรู้ความจริงของรูปนามอย่างแจ่มแจ้งท่านปล่อยวางไม่ยึดถือนะถ้าจะเป็นโสดานะเราก็ดูรูปดูนามไปเราเห็นรูปก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะเป็นพระโสดาบันถ้าถึงระดับจะเป็นพระละหันเนี่ยจะเห็นเลยรูปนี้คือตัวทุกนามนี้คือตัวทุก การได้รู้ทุกนั่นแหละเรียกว่ามันจะละสมุทัยละตันหาแล้วก็แจ้งนิโรธคือแจ้งปณิพน์แล้วกเกิดอริยมรรคด้วยการรู้ทุกนี่นเองแล้วค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นไปยากไปไหมยากไม่เอ่ยใครว่ายากยก็เหมือนซีก็อสอนง่ายมาทั้งหลายปีแล้วสอนตั้งแต่สาราดูชินนะสอนเบสิกมาเลยนะมาที่นี่มันสอนระดับมหาวิทยาลัยอะ ที่มาสอนแบบก็เอ้ยกอไก่เขาไก่ไปในเล้วมันเฉยไปเพราะฉะนั้นมาที่นี่เราสอนให้ยากหน่อยสมเป็นมหาวิทยาลัยตัวอะไรปวดร้อตัวหลงปวดร้อหรือว่ารูปปวดร้อถ้ารูปปวดร้อใช้ได้นะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวแต่ถ้าตัวหลงปวดร้อมันเป็นเราปวดร้อจะรู้สึกเราปวดร้อค่อยๆรู้สึกหน้าไม่ใช่เรื่องยากหรอก ฝึกไปบางคนก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยบางคนนึกวันเดียวแล้ถึงที่สุดแห่งทุกนึกบารมีเขาเต็มมาเรมีเราคงไม่ค่อยเต็มสันนิษฐานไว้ก่อนบารมีเต็มคงไม่ต้องมาเรียนกับหลวงพ่อป ร, ม, นะรมู้ดหรอกเนาะมาเรียนจากพระพุทธเจ้าเรารู้เรื่องปิ๊งไม่มาเกิดแล้วไม่มาเจอกันละนี่ยังวนเวียนวนเวียนอยู่บางคนยังวนเวียนน่ากลัวนะแต่พวกเราอย่างดี ลักษณะบ่นขึ้นข้างบนไปเรื่อยนะขึ้นบันไดบนบางคนมันบ่นอย่างเนี้ะนะบน่นลงไปใต้ดินตัวอะไรหัวล้ออีกแล้วตัวรู้หรือตัวหลงเมื่อกี้ตัวรู้หัวลรอยกมือสิคนไหนเป็นตัวรู้หัวล้อคนไหนเป็นตัวหลงหัวล้อเยอะคนไหนไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเรียกว่าตัวหลงมหาหลงเลยนะเป็นหลงระดับมหาระดับเจ้าคุณหลงเลยนะไม่ธรรมาดา รู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกล้วนะก็มีสติระลึกรู้สภาวะนะเห็นร่างกายหายใจมีการหมายรู้ลงไปร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วจิตมันก็รู้จักมองม่เห็นว่าร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆตัวนะที่มันรู้ความจริงแล้วนะี่มันทำใหิปัสษณะพอมันรู้แล้วมันจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวาง พอมันวางร่างกายได้ได้พระอนาคานะถึงขั้นพระอนาคามีเลยถ้าวางร่างกายลงไปแต่เบื้องต้นนี้ยังไม่ถึงขนาดปล่อยวางเบื้องต้นนี้แค่ให้เห็นว่ารูปธรรมไม่ใช่เรานามธรรมาไม่ใช่เราจิตใจซึ่งเป็นนํา ม, มาทําอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เราดนะังนั้นเบื้องต้นเราเรียนเป็นลําดับไปดูในมุมของว่ามันไม่ใช่เราไปก่อนนะมุมนี้ดูให้เยอะชดหน่ร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจ ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะใครดูไปตอนนี้ในร่างกายพวกเราแต่ละคนเนี่ยนะมันจะต้องเจ็บตรงโน้นคันตรงนี้ปวดตรงนั้น่ะลองสํารวจดูสิมันอยู่ตรงไหนมีไหมลองดูของตัวเองในร่างกายเนี้มีตรงไหนที่เป็นทุกข์บ้างใครไม่เห็นไม่มีทุกข์เลยมีไหมเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะกุศลให้ผลอยากไร้แรง ไม่เห็นทุกเลยใครเห็นบ้างว่าในตัวเรามีส่วนที่เป็นทุกอยู่มีไหมใครทุกที่คอมีไหมใครทุกที่หลังใครทุกที่เอวบางคนยกหมดเลยทุกทั้งตัว <c oughs> <c oughs> ในะเนี่ยใครรู้สึกลงไปรู้สึกลงไปร่างกายนี้มีความทุกอยู่นะเนี่ยแล้วดูไปอีกทีความทุกคงที่ไหมลองสังเกตความทุกที่อยู่ในกายเราคงที่ไหม ตอนเทศใหม่ๆนะหลวงพ่อพาให้ดูตัวรูปตัวร่างกายที่มันเป็นไตรลักษณ์ตอนนี้กระเถบมาดูเวทนาเวทนาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายดูซิมันเป็นไตรลักษณ์ไหมอย่างความปวดความเมื่อยเมื่อยคออย่างเงี้ยนะยังเห็นไม่ว่าดีกรีมันเปลี่ยนตลอดเวลามันไม่ได้เมื่อยคงที่นะมันแสดงไตรลักษณ์แสดงความไม่เที่ยงอยู่นะแล้วสั่งให้หายได้ไหม สั่งไม่ได้มันแสดงอนัตตาอยู่นะมันแสดงของไม่เที่ยงแสดงของอนัตตาทําไมมันมาแสดงความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาชัดมันเป็นนามธรรมนามธรรมนี่ยจะแสดงความไม่เที่ยงแต่ความเป็นอนัตตาชัดเจนตัวรูปนี่แสดงตัวทุกข์กับตัวอนัตตาชัดเจนค่อยๆสังเกตไป ดูออกหรือยังว่าความเจ็บปวดในร่างกายไม่คงที่ใครเห็นตรงนี้แล้วยกมือซิถ้าเห็นตัวนี้ได้ไปดูบ่อยๆดูบ่อยๆแล้ววันหนึ่งนะจะรู้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของน่ารักอีกต่อไปละร่างกายนี้มีความทุกขนะ์นเข้ามาบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไปสังเกตตัวนี้ให้มากๆนะมันบางทีได้พระอรหันต์ก็ได้นะดูไปเร่ยก็เห็นเเวทนามีอยู่เวทนานีบังคับไม่ได้ เกินดับอยู่ตลอดเวลาอันนี้พอมองเห็นไหมใครไม่เห็นไม่เห็นความเจ็บปวดในร่างกายมีไหมมันดูไม่ยากหรอกนะนี่กรรมฐานนะมีเยอะแยะไปไม่ใช่ว่ามีแต่ดูจิตเห็นแต่กุศลอกุศลเกิดดับนะเวทนาเราก็ดูได้หรือเวทนาในใจมันก็มีนะเวทนาในใจเพราะเราจะดูชํานาญอยู่แล้วล่ะ แย่งความสุขในใจเกิดขึ้นเราก็รู้ใช่ไหมความสุขในใจหายไปเราก็รู้อันนี้เราดูเวทนานในใจกุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจ เ, เรารู้มันหายไปเรารู้อันนี้เราทําจิตตาโนปัสสนานี่เราค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปในสุนใจที่เป็นธาตุรู้มันเด่นดวงขึ้นมานะจะเห็นขันแต่ละขันทํางานขันแต่ละขันทําหน้านที่ของแต่ละขันไปล้วนจะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยนี่เราขึ้นสู่ธรร ม, มานุปัสสนา เราเห็นขันทำงานแล้วเราไม่ได้ดูดเป็นอันๆแล้วนะแต่เราเห็นเลยว่าขันทั้งหมดเลยแตกตัวกระจายออกไปแต่และตัวสดแสดงใจรักไปอยู่ตลอดเวลาแล้ค่อยๆฝึกไปในการที่เราเห็นขันมันทำงานไปเรื่อยๆนะเรียกว่าเรามีสตนะิแล้วเราเห็นขันนะมันสดแสดงใจรักได้เรียกว่ามีธรรมวิจยนะเราขยันดูไปนะดูไปมีสติราลึกรู้ อยื่ที่ขันเห็นการแสดงใจรักในขณะที่มีสติรู้ขันแสดงใจรักอยู่เรียกว่าเรามีวิริยะอยู่ถ้าเมื่อไหร่ขาดสติเรียกว่าขาดวิริยะเนะนี่ยแล้เสร็ล้วใจมันจะมีปีติแล้วนะมีปัสสถานมีความสุข ม, มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็มีอุเบกขาเกิดขึ้นอย่างค่อยๆฝึกจนถึงจุดที่เขาเป็นอุเบกขาของเขาเองถ้าเขาเ้าไปอุเบกขาแล้วเนี่ยเป็นประตูแห่งอริยมรรค ทำไมต้องอุเบกขากรัติายามากถึงจะเกิดเพราะถ้าไม่อุเบกขายังยินดียังยินร้ายอยู่นะปัญหายังทํางานได้อีกก็เรายินดีในสิ่งใดนะเราก็อยากให้สิ่งนั้นได้มาถ้ายัางไม่ได้ก็อยากให้ไดนะ้ถ้าได้มาแล้วก็อยากให้อยู่ของยังไม่มีอยากให้มันมีอยากให้ได้มานะเรียกว่ากลับมาปัญหาอยากให้มันดํารงอยู่นานๆเรียกว่าภาวะปัญหานะถ้าของกระทบมาแล้วเป็นอารมณ์ไม่พอใจอยากให้หายไป เป็นวิภาวะตัณหาถ้าตัณหาเกิดขึ้นจิตจะดิ้นรนจิตดิ้นรนเนอะจิตจะหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมขึ้นมาเป็นตัวเรานะมีชาติคือไปหยิบจิตนั่นจะเป็นตะครุบรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาแต่ตรงที่จิตตะครุบรูปธรรมนามธรรมเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ยังไม่เห็นนะยกเว้นบางคนที่ภาวนาชำนี้ชํานาญนะมันเคยเห็นจิตปล่อยวางพวกเราตอนนี้เห็นจิตปล่อยวางอารมณ์ อันนี้ดูออกไหมเวลาจิตเข้าไปยึดอารมณ์แล้วจิตก็ปล่อยอารมณ์เห็นตัวนี้ไหมนะเห็นตัวนี้ก็ดีแล้วนะได้ขนาดนี้ก็ดีนับหนาแล้วต่อไปตรงที่มันแก่กล้ากว่านี้มันจะเห็นจิตปล่อยวางร่างกายไม่ใช่ปล่อยวางอารมณ์ทั่วๆไปแล้วนะมันปล่อยวางร่างกายได้แล้วสุดท้ายมันจะเห็นจิตปล่อยวางจิตได้นะเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะไม่มีใครสอนได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเราค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ เรียนรู้อยู่ในตัวเองเรียนรู้รูประธรรมนามธรรมอยู่ในร่างกายนี่เองร่างกายยาวานาคืบกว้างสอบมีสัญญาคือการหมายรู้และมีใจครองอยู่เรียนรู้ความจริงของเข้าไปเรื่อยๆจนรู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่เราถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราการรู้สึกว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเริ่มจากของหยาบๆก่อนอย่างพวกเราขนณะนี้ใครรู้สึกได้บ้างรู้สึกเป็นคลาล้วนะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ยกมือซิรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเห็นเป็นคลาวคลาวไม่เห็นตลอดหรอกไม่ใช่ภูมิยกใหม่ทีซิแล้วจีรื่กกมดู โ, โหเยอะนะดีมากๆเลยใครรู้สึกว่าความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบ้างยกมือซิก็ายางเยอะอีกเก่งใครรู้สึกว่าโลภโกรธหลงไม่ใช่ตัวเราบ้างมีไหมมีไหมเริ่มน้อยลงไปหน่อย คงเมื่อยอะยกหลายตีแล้วคราวนี้เลยขี้เกียจยกเนะแต่สังเกตไหมเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นตัวเราจิตนี้เป็นตัวเราแท้จริงแล้วจิตไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันเกิดตามหลังความคิดมาถ้าเราหันดูสภาวะให้ชํานิชํานาญนั้นเวลาที่จิตมันตรึกอารมณ์มันคิดขึ้นมาเนี่ยความคิดมันผุดขึ้นมาเนี่ยเงาแห่งความเป็นตัวตนจะซ่อนอยู่ข้างหลัง จะซ้อนอยู่ตรงนี้ความคิดปุดขึ้นเนี่ยตัวตนมันจะซ้อนอยู่ตรงนี้จะรู้สึกว่ามีเราขึ้นมานะแต่ถ้าพาวนาจนเป็นพระโสดาบันแล้วจะผุดความคิดขึ้นมาแต่มันจะไม่มีเราคิดนะจะไม่มีเราซ้อนอยู่ข้างหลังเพราะฉพวกเราเวลานอนหลับเนี่ยเรามีสักกาทิฏฐิไหมเวลาเราหลับลึกๆไม่ฝันมีความเป็นตัวเราไหมมีความรู้สึกว่ามีเราไหมไม่มีนะสักกายทิฏฐิเองก็เกิดดับเกิดดับนะ ไม่ใช่ของเที่ยงนะเราสักกะยที่ตีเองก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะมันก็เกิดดับเกิดดับเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละเป็นนํามาทําอย่างหนึงงั้นอย่างเราหลับลึกๆไปนะไม่มีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราแต่ว่าเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมาหรือเมื่อไหร่ฝันนะแล้วคิดนะฝันกับคิดเนี่ยเป็นอันเดียวกันคิดตอนนั้นหลับเรียก ว, ว่าฝันฝันตอนตื่นเรียกว่าคิดเวลาคิดขึ้นมาหรือฝันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเราซ่อนอยู่ แต่เรายัาง ม, มองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะสักวันหนึ่งก็เห็นแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะรู้สึกแค่ว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้่รู้แต่ว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้ก็บเราปีกลายเราเมื่อตอนเด็กๆอะไรก็ issance, คนเดิมนั่นแหละจะรู้สึกอย่างนั้นะใครยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งย้เมือนซี้ใครรู้สึกว่าไม่มีเราเลยในใจนี้ไม่มีเราเล ย, ม, ใใ ม, ม, เเลยมีไหมถ้ามีก็เป็นพระโสดาบันขึ้นไป ไม่มีเลยเนาะดีที่รู้บารมีพวกเรามันไม่เยอะขนาดคนสมัยพุทธกาลบางคนเนาะเขาฟังธรรมะปุ๊บเขาได้ละแต่ก่อนที่เขาจะได้เนี่ยเขาก็เหมือนเราเอย่างเนี้ยเวลาฟังพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนาะเขาก็เออแบบเรานี่แหละนะเราตอนนี้เราฟังแล้วก็งงๆไปก่อนะค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตไปนะถ้าบารมีเต็มในชีวิตนี้เราก็ได้ธรรมะขึ้นมา หรืหลุดพ้นไปเลยถ้าไม่เต็มก็อาจจะอีกสองชาติสามชาติเจ็ดชาติได้มาะหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้จริ ง, รงๆนะไปเจอพระเมตไตรพระเมตไตรแสดงธรรมทํานเราปิ้งเลยให้คนรุ่นต่อไปอิจฉ า, าว่าทําไมมันได้ง่ายนักกว่าทำไมตูได้ยากจังไอ้พวกนี้มันง่ายก่อนง่ายยากทุกคนนะลนะก่อนจะง่ายยากทุกคนนะงั้นองค์อดทนนะยอมยากซะตั้งแต่วันนี้แล้วง่ายในอะนาคตดีกว่า ดีกว่าเลยวไหลในวันนี้แล้วอนาคตก็ยังยากอย่างเดิมอะ่ะจนหมดพระพุทธเจ้าไปหลายองค์แล้วมันก็พาวนามไม่ได้อย่างเดิมใช้ไม่ได้นะค่อยๆฝึกไปสรุปนะถือศีลห้าสำรวจตัวเองตอนนี้ใครถือศีลห้าได้ดียกมือซ๊ใครบกพร่องหนึ่งข้อกับพร่องกับแพร่งหนึ่งข้อโอ้ใครสองข้อบกพร่องสองข้อใครบกห้องห้าข้อ ไม่อยอมยกแล้วข้อไหนบกพ่องง่ายข้อสี่ใช่ข้อสี่ทำไมข้อสี่บกพ่องง่ายเพราะาาเราเห็นว่ามันไม่มีโทษเราเห็นว่ามันไม่มีโทษนะมันไม่คิดจะละแต่ยังไปทำร้ายคนเนี่ยรู้สึกมีโทษไหม อ, อย่างน้อยก็มีโทษจำคุกเห็นว่ามันไม่ดีไปขโมยเขามีโทษไนะไป ประพฤติผิดในกามผิดรูปผิดเมียเขาอันตรายไหมอาจจะถูกค่าทิ้งง่ายๆมช่ไหมพูดเล่นพูดเฟเจอร์พูดหลอกๆเขาพูดอมําเขาไม่เห็นมีใครว่าเลยทุกวันเนี้ยกดไลค์กดแชร์กันเพลินนันแหละมันก็มัสาวาตนั้นแหละะบางทีไอ้คนเนี้ยเรารู้จักมันมาโพสอะไรสักอย่างนะเราดูแล้วงี่เง่าเราก็ต้องกดไลค์ไม่งั้นมันโกรธเดี๋ยวเราเขียนแล้วมันไม่กดให้เราบ้างนะ <c oughs> นี่เฟเจอร์นะ แต่เจ้าศี่ข้อสี่ที่ด่างพลอยง่ายเนี่ยเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นโทษเท่าไหร่หรอกรู้สึกว่าหย่วนหย่วนน่ะใครใครขาก็เป็นอย่างนี้แหละรู้สึกอย่างนี้ส่วนที่ข้อหนึ่งไม่ค่อยทําร้ายใช่ไหมไม่ค่อยทําร้ายคนอื่นไม่ค่อยฆ่าคนอื่นเพราะรู้สึกโทษหนุนแรงใครกินเหล้าบ้างในนี้ใครอยากกินเหล้ายกมือซีมีไหมไม่มีเหรอมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะอนุโมทนานะ ช่วยให้รัฐบาลได้อาษียังกินอยู่ถ้าไม่กินทำเราเห็นว่ามันไม่มีโทษโทษไม่มากเลยมันมีคุณประโยชน์บางคนกินเหล้ารู้สึกมีคุณประโยชน์นะกลุ้มใจกินแล้วหายกลุ้มมีประโยชน์งั้นอะไรที่เราเห็นว่าเป็นโทษเราจะละไดาอะไรที่เห็นว่าไม่เป็นโทษนะมันจะไม่ยอมละ น, นี้เป็นธรรมดาของจิตนะอย่างศีลเนี่ยเราสำรวจเลย สี่ข้อนี้มีโทษมากหมือนละละง่ายข้อนี้โทษน้อยละยากก็ทั่งธรรมะนะอย่างกิเลสตัวไหนเนี่ยที่เราเห็นว่าโทษน้อยเนี่ยละยากนะหรือเรามองไม่เห็นนะ่ะยิ่งละยากโทสะเนี่ยรู้สึกไหมเวลาโกรธขึ้นมาจิตใจไม่สบายใช่ไหมเราชอบไหมโทสะไม่ชอบเั้นโทสะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่มีโทษมากนะโทษในทางธรรมะมา ก, มากนะแต่เราเราระง่ายเราเห็นง่าย เห็นว่ามันเป็นโทษง่ายราคะเนี่ยมีโทษน้อยละยากเขราไม่เห็นโทษเช่นนั่งฟังเทศอยู่มีความสุขใจเพลิดเพลินนี่ความสุขอย่างเลยไม่เห็นจะโทษตรงไหนเลยเห็นไหมดูดีซะด้วยซ้ำไปลายากส่วนโมหะนะมีโทษมากด้วยลายากด้วยเพราะมองไม่เห็นงั้นอันไหนที่เราเห็นทุกเห็นโทษเราอย่าละง่ายแล้วก่อนหลวงพ่อ ไปกับ น, น้องคนหนึ่งนะภานามาด้วยกันเริ่มต้นมาด้วยกันนะไปหาหลวงปู่เทศน้องคนนี้ก็หัดภาวนาใหม่ๆนะก็ไปบอกหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมอยากจะละกามแต่ใจยังอาลัยอาวรณ์ อ, อยูนะ่ผมอยากละกามแต่ใจยังอาลัยอาวรณ์ อ, อยู่หลวงปู่เขาอุทานอ้าว อ, อ, า, วอาลัยอาวรณ์ก็ละไม่ได้สิหลวงปู่อุทานแค่เนี้นะโกรธเลยอนะเพราะว่าอายเขา คนอื่นตั้งหลายคนเขาอมยิ้มเลยว่าไอ้หนูนี่มันจะละกามนะแล้วยังอะไรอววรละไม่ได้เขาก็อมยิ้มนะนี่โกรธหลวลงปูนะ่ผ่านไปอีกหลายเดือนนะกลับไปขอมาหลวงปู่เห็นแล้วสงสารนี่โกรธแล้วละ่ะนะบอกว่าอา้าวอะไรอววรก็ละไม่ได้สิท่านเห็นแล้วสงสารท่านก็เลยพูดต่อให้ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษถ้าเมื่อไรเห็นทุกข์เห็นโทษนะมันจะละ ถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษไม่ละหรอกเนื่ออย่างเราเวลาเราจะละกิเลสละอะไรสักอย่างนะถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษที่เกิดขึ้นมันถึงจะละถ้าไม่เห็นไม่ละหรอกนี่ทำไงจะเห็นทุกข์เห็นโทษเหรอหันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นจนได้แหละนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราไม่เคยดูเลยนะั้นฝันไปเถอะจะบรนนบรลุน้นบรรลุนี่ไม่ได้บปรลุหรอกบรรลุแต่โมหะอย่างเดียวนะค่อยๆฝึกนะสรุปก็คือถือศีลห้าไว้นะทุกวันทําในรูปแบบ ดูกายเป็นทำงานดูใจเป็นทำงานนะรู้กายรู้ใจมีสติรูกายรู้ใจนะแล้วก็มองให้ออกกายนี้ก็ตกอยู่ใต้ใจ ร, รักจิตใจก็ตกอยู่ใต้ใจ ร, รักนะอย่างเมื่อกี้พาให้ดูทั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมร่างกายเนี่ยธาตุไฟในตัวเราก็ไม่คงที่อันะนี้ดูธาตุดูรูปจริงๆเลยนะหรือดูเวทนาความปวดเมื่อยในร่างกายแต่ละจุดไม่คงทีนะ่ดูเวทนาว่าไม่เที่ยง ดูเวทนาว่าบังคับไม่ได้มันมาเองไปเองหรือดูจิตที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างจะเห็นมากมาเองไปเองบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาอ่ะงั้นถ้าเราทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกพยายามรักษาศี่ห้าไว้ทุกวันฝึกตัวเองไม่ย่อหย่อนวันหนึ่งอย่างน้อยสินาทีขึ้นไปปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า เรี๋ยวเขาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจให้มากที่สุดตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดอันนั้นเราจําเป็นเพื่อว่าจะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ทำมาหากินอยู่แต่เวลาที่เหลืออย่าไปเพ้อเจ้อแต่ว่าไม่ใช่ว่าเครียดตลอดพักผ่อนได้ถึงเวลาอย่างหลวงพ่อเล่าเมเ่อกี้นะหลวงพ่อไปดูกระตูนนั่นคือส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะทำให้จิตใจผ่อนคลายบางคนอาจจะร้องเพลงอาจจะอะไรก็ได้ ให้ใจมันผ่อนคลายคารวะมีช่องทางให้เลือกเยอะกว่าพระพระไม่มีเท่าไหร่หรอกพระไปนั่งร้องเพลงก็น่าเกลียดใช่ไหมหรือพระจะไปนั่งสวดมนต์ให้จิตใจสบายอากุศลธรรมมาฝังแล้วยิ่งห่อเหี่ยวหนักกว่าเก่าเยอะฝังแล้วไม่ค่อยสดชื่นเคยได้ยินไหมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้ยินนะเอาสะสมควรแล้วนะไปฝึกเข้า รีบร บ, รบฝึกเข้านะหลวงพ่อทุกวันนี้สอนแบบไม่ยั้งแล้วนะสอนเต็มเหนียวละอย่างน้อยฝากหลักการปฏิบัติเอาไว้ให้พวกเราค่อยๆใช้ลูบคลําไปสู่ความบริสุทธิ์ของเราจะได้รักษาสืบทอดพระศาสนาไปไม่มีใครเข้ารักษ า, า พ, พราะพุทธศาสนาให้เราหรอกนะเราต้องรักษาของเราเองคนอื่นมันอาจจะมาหาผลประโยชน์มันไม่ได้มารักษาหรอกนะไอ้ชาวพุทธแท้ๆเนี่ะ ต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติให้ได้เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากสิ่งที่ท่านสอนเมื่อเราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์เราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วก็เราเป็นชาวพุทธเราก็ส่งทอดธรรมะออกไปให้คนที่สมควรอย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะ หลวงพ่อไม่ใช่ชาวพุทธคนสุดท้ายแล้วหลวงพ่อสอนพวกเรามาทั้งเยอะแล้วนะแล้วพวกเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีน่าชื่นอกชื่นใจเหมือนต้นไม้ที่งอกงามนะบางต้นมันนอนกินไปก็มีแต่ว่าพวกเราที่เหลือเหลืออยู่นี่นะเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะวันหนึ่งก็จะมีดอกถวายพระลนะอาว่ามากล่าวนมรสกการหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะ ส่งครั้งแรกชอบส่งทุกครั้งนะ่ะไม่ชอบเลยเอาเวลาที่ไหนพอหนาเราจะส่งกันบา้านค่ะเอก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าตัวเองจะติดเพ่งอ่ะคะ่ะก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติเป็นรู้ตามลมหายใจอ่ะคะ่ะไม่แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบบางครั้งก็จะจำยังเพ่งอยู่อ่ะถูกถูกใช่ได้เพ่งเรายังรู้ตัวแล้วว่าเพง่งเมื่อก่อนเราคีดว่าต้องเพ่งนะปฏิบัตนะิถ้าไม่เพง่งไม่ได้นับปฏิบัติรู้หลักแล้วไปทําอีก <c oughs> เ อ, อหลวงพ่อมีอะไรแนะนำแนะนำมาตั้งชั่วโมงแล้วมั <c> ่ง <oughs> เอาไปตามเอาเอาแล้วอย่างเวลาหนูหนูจะนั่งสมาธิตอนเช้าอะค่ะถ้าวันไหนหนูหนนิ่งหรือว่าแบบรูทันจิตหนูจะนั่งเต็มครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดหนูไม่ทันเนี่ยหนูจะแบ่งเป็นสิบห้านาทีแล้วก็พักก็ <c oughs> ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะแล้วก็มานั่งทําต่ อ, อ <c oughs> ได้ <c oughs> หลวงพ่อรู้มารวยนะสำหรับโยมอะ่ะ <c oughs> วันดีกไม่ทำห้านาทีก็ดีกว่าไม่เอาทิ้งเปล่าๆนั่งให้หลวงพ่อดูสักหน่อยซิยิ้มก่อนอย่าลืมหลักสูตรจาใจให้สบายเอาส่งไมไปฝักหนุ่มเสื้อแดงอ้าวส่งกันบ้านเสื้อแดงแล้วก็นั่งไปอย่างนี้นั่งไม่ถูกหนะ้านั่งบังคับอย่าไปบังคับมันนั่งเล่นๆยิ้มหวานมีความสุขแล้วเห็นร่างกายหายใจได้ใจที่มีความสุขแป๊บเดียวก็สงบแล้ว กลับนมันศการหลวงพ่อครับอผมไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบสองปีแล้วละครับผมตอนหลังๆนี้ผมเห็นว่าการปฏิบัติของผมมันไม่ค่อยมีพัฒนาการเท่าไหร่อของผมเหมือนปัญหาของผมตอนนี้ครับหลวงพ่อคือเหมือนผมพยายามจะหาสิ่งคลอดเคลียร์ของของใจตัวเองไม่ให้มันหลงไปในกรนานเกินอผมก็จะใช้หลักการปฏิบัติมือว่าโอเคพยายามอยู่กับลมหายใจพยายามอยู่กัน ขยับบ้างแต่ว่าเหมือนบางทีทั้งสองอย่างเนี่ยครับบางทีเราพยายามอยู่กับลมหายใจอยู่ปับ๊บมันก็จะหลงหายไปเลยอะไรอย่างนี้คมันเหมือนจะมันจะไม่ค่อยอยู่กับสิ่งที่เราอยากให้มันหายนานหายนานไหมหายนานไหมบางครั้งก็นานบางครั้งเราก็เอ้ยหายไปแล้วโอเคอันนั้ น, น, น, นถ้าหายไปแป๊บเดียวผมก็เข้าใจว่าอ่ามันก็ยังใช้ได้อยู่การภาวนานะมันไม่ได้เจริญขึ้นตลอดเวลานะบางช่วงมันเหมือนไม่มีสติเลยทําไงก็ไม่มีนะเป็นปกตินะ ขอให้ปฏิบัติเถอะนะเพราะฉั้นบางช่วงปฏิบัติเขาได้สติเกิดดับจี่ยบบางช่วงไม่ค่อยเกิดช่วงหลงยาวไม่สําคัญสําคัญที่ปฏิบัติผมเคยเหมือนมีตอนหนึง่งเหมือนผมเคยเห็นสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาครับหลวงพ่อเหมือนตอนนั้นที่หลวงพ่อเคยเห็นสภาวะที่เหมือนหลวงพ่อเคยพูดว่ามันเหมือนใยแมงมุมแล้วมีแมงมุมอยู่ตรงกลางมันเหมือนตอนนั้นจิตผมมันตามมาปุ๊บจิตมันแว บ, บไปแล้วก็กลับมาเองอืม ตบบนนั้มก็แบ๊กไปทำเองสองสามครั้งออก็ดีเหมือนกันที่เห็นนะแต่ตรงนั้นสันตติยังไม่ขาดเราเห็นว่าจิตนี้มีดวงเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งมานะค่อยๆรู้สึกค่อยๆดูไปตามธรรมชาติธรรมดาต่อไปจะรู้เลยจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับที่ตาจิตที่เกิดที่หูมันเกิดแล้วก็ดับอยู่ที่หูนะจิตที่ใจก็เกิดแล้วก็ดับที่ใจไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปในภาพรวมดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลง แต่หลังอันนั้ น, น, นั้นคือช่วงหลังๆมาคือผมไม่ค่อยเห็นสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นแล้วอะครับหลวงพอ่อคืออย่างในชีวิตประจําวันผมจะเห็นเหมือนเห็นบ้างในสภาวะที่ว่าอ่เฮ้ยสิ่งนี้เป็นอนัตตาเหมือนความรู้สึกเป็นอนัตตานะนั่นแหละถูกแล้วแต่ว่ามันไม่ไมไ่ค่อยมีสมาธิที่ถูกต้องอครับหลวงพอ่อใครบอกว่ามันตั้งจนเป็นธรรมชาติมันตั้งอยู่แล้วอ่ะจะให้มันไปตั้งอยู่ที่ไหนอีกอ่ะ เพราอนเราเห็นมันสแสดงใจลักนะดูมันเป็นสบายๆใจเราไม่ได้หลงไปไหนอยู่แล้วสมาธิใช้ได้นะครับผมจิตเข้าใจว่าตัวเองแบบสมาธิค่อนข้างไม่ดีก็เลยอยากจะอย่างนี้แหละสภาวะที่จิตใจมันอยู่กับตัวเองรู้สึกกายรู้สึกใจนะยิ่งเห็นใจรักได้อย่างน้อยต้องรู้สึกแล้ ว, ลวอหนูที่ส่งกันบ้านคนแรกนะโมหะครอบไปละ งั้นนั่งสมาธินะลืมตาไว้บ้างก็ดีนั่งแล้วไม่เอานะอย่างนี้นขอบคุณครับเสื้อแดงอ่ะฟูงสร้านไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นมีเครื่องอยู่อยู่กับลมหายใจไปอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ก็แค่นั้นเอง อย่าเวลาจิตฟุ้งซ่านบางคนบอกว่ามาส่งกันบ้านหลวงพ้าครับหมู่นี้จิตผมฟุ้งซ่านแหลกเลยดูไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่าจะถามว่าดูไม่รู้เรื่องแล้วทําไมรู้ว่าฟุ้งซ่านอ่ะฟุ้งซ่านก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่าเท่ากับความสงบความตั้งมั่นนั่นแหละนั้นเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านก็ใช้ได้เพระพุทธเจ้าถึงสอนอย่างดูรัสพิกสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนั้นไม่ใช่ดูสภาวะไม่ออกนะ แต่ตอนนี้ใจไม่เข้าฐานล้วดูออกไหมออกครับออดูออกก็ใช้ได้แล้วอ่ะต่อไปคุณครับคือผมดูกายครับดูไกลขับรถอะไรนี่เดี๋ยวนี้ตื่นเต้นครับไม่รู้จะทำอะไรครับพ อ, อนาใช้ได้รู้สึกว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกแล้วเนาะครับดูออกแล้วขันมันแยกแล้วล่ะถ้าขันมันแยกได้แล้วการภาว น, นาไม่ใช่เรื่องยากล้วดูขันเขาทางานไปเราเห็นร่างกายมันทํางานไป มันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้ได้แต่จามหลวงพ่อตอนตอนฝึกใหม่ๆมันเป็นกระดูกมันเป็นอะไรแต่แต่เป็นผลของสมาธิดูเข้าไปเราเห็นกระดูกนะต่อไปนี้ไม่ได้ดูว่าเป็นกระดูกแต่นี้ดูว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าดูเห็นมันเป็นกระดูกเนี่ยเป็นผลของสมถะกรรมฐานไม่ต้องเห็นกระดูกก็ได้แต่รู้สึกเลยไอ้ตัวเนี่ยไม่ใช่เราหรอกอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเห็นกระดูกอีก ครัขบขระคุณครับท่านถ้าเราเห็นร่างกายเป็นกระตูกนะหรือเป็นปฏิกรูนัสพัชอะไรเนี่ยไม่ใช่พิปัสสนานะเป็นสมตะแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นพิปัสสนาให้ดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้บ่อยๆไม่ต้องไปดูว่าเป็นกระดูกกระเดื่องอะไรไม่ต้องดูหรอก เห็นถ้าเห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ช่างมั น, รมนกราบในวัชการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบสิบเดือนค่ะก็ครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้มาดูความโลปอะค่ะเ อ, อก็มีวันหนึ่งหนูก็ไปลองเดินจงกลมดูนะคะเราก็รู้สึกว่าตัวเองอะอยากจะมานั่งสมาธิมากกว่าแล้วระหว่างนั้นหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมานั่งสมาธิอะ่ะเราก็เห็นว่าอันหนึ่งอะมันดับลงไป ท, ที่ตรงกลางหน้าอกอะนะคะแล้วก็มีปิติเกิดขึ้นว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นความโลภแน่ๆเลยอะไรเงี้ยที่เห็นแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ปฏิบัติมาจนถึงช่วงปีใหม่อะคะ่ะพอมาปีใหม่อะกันเห็นว่าแบบไม่รู้ฟงซ่าหรืออะไรอะคะ่ะว่าตัวเองแบบไม่ไม่ดีอะคะ่ะแบบทุกแบบเวลาที่เราจะทำอันนั้นอันนี้มันไม่ได้แบบจะดีไป1 0อเปอเซยอะเงี้ยค่ะเห็นว่าตัวเรามันมีแบบ เกืทบจะทุกอันอยู่ข้างนในแสงน่ะนะแสงตัวเราไว้ทุกอันค่ะเลยทําให้เวลานั่งอ่ะเราก็จะแบบไปฟุ้งซ่านวะ่าเอ้ยเราไม่ดีเรารู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาวาให้เห็นว่ามันมีแต่รูปธรรมนามาทําไม่มีเราไม่ใช่ภาวนาให้เราดีนะอืไม่ได้มุ่งที่เราให้เราดีหรอกหรือเราไม่ดีก็ร่วมใจจะราวนาจนเห็นว่ามันไม่มีเราต่างหากลหละอ๋อค่ะภาณาผิดวัตถุประสงค์นะ แปภาวนาเอาดีค่ะก็ะเลยขอคาแนะนำหลวงพ่อค่ะเพราะว่า<ด>ช่วงดูไปนะไม่มีตัวเราร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อๆ <c oughs> ถ้าดูยังไม่เห็นกคิดเอาคิดพิจารณานิดหน่อยแล้วต่อไปมันเห็นเองได <c oughs> ้ค่ะหลวงพออ่อต่อไปขอบคุณมากค่ะเอาอีหล้าไคนหมายเลขหนึ่งเพ่งอีกละ เพลงแ้วใจมันจะแน่นๆนะส่วนเสื้อแดงเนี่ยฟุ้งสั้นหายใจแล้วรู้สึกไปถ้าหายใจแล้วยังรู้สึกไม่ได้ก็เติมพุทโธเข้าไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทําไมให้หายใจเข้าก่อนปกติสอนให้หายใจออกก่อนถ้าสมาธิเราพอแล้วเห็นร่างกายหายใจออกาใจผ่อนคลายแล้วดูมันทํางานเจริญตัญญาไปแต่ถ้ามันฟุ้งมากหายใจเข้าก่อนเอาใจเข้าบ้านก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไป แล้วก็สงบเพื่อช่างไม่สงบเพื่อช่างพูดโธไปเรื่อยๆสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นสมาธิอ่อนไปเอาว่ามากาบนมัสการค่ะหลวงพ่อดู อ, อกไ ม, ไม่ว่ากายกระใจเป็นโคล่านยังดูไม่ออกรู้สึกหรือเปล่าว่าความรู้สึกกระใจก็เป็นโคล่านกันอย่างความโกรธกระใจเนี่ยโคล่านกันนะถ้าอย่างนั้นถนัดดูจิตมากกว่าดูกายนานัดดูจิตแล้วก็ดูจิตเอา แเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอันนี้เห็นไหมยังไม่เห็นค่ะไม่เห็นอีกหรอแล้วหนูเห็นอะไรบ้างอาหนูเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะก็คือจะกําลังเริ่มนั่งสมาธิแยกค่ะประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เคยทํานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องอะคะ่ะพอจะกลับมาทําอีกทีรู้สึกว่าพอหายใจเข้าพุทหายใจออกโทยอย่างเงี้ยสมาธิเรา ใจเราบางทีเหมือนเหมือนที่น้องคนแรกบอกคือมันหายไปสักพักหนึ่งเหมือนเราเราบอกว่าพุโทโธแต่ว่าใจเรามันไม่ได้อยู่กับพุโทโธนี่นะคะอันสูงสั่งอันนีจะมีกําหนดหลวงพ่อจะแนะนํำยังไงคะให้กําหนดจิตได้หนูคิดมากไปจิตหนูดีนะไม่รู้ตัวซิอีกขันก็แยกแล้วละต่อเป็นนี้น้าอย่างเห็นร่างกายไปยั่งหน้าก็แค่รู้สึกนะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นด้วยตาไม่ใช่ไปจ้องอย่างนี้จ้องแรงไป เรารู้สึกสบายๆา ย, ยิ้มหวานๆก่อนเห็นไหมว่าใจมันเครียดเนี่ยแล้วบอกดูจิตไม่เป็นแตถามว่าเห็นไหมว่าใจมันเครียดที่มาเห็น <c oughs> นั่นแหละดูจิตละ <c oughs> รู้สึกไหม ใ, หใจมันคลายออกรู้สึกไหมหไปรวบเข้ามานั่นแหละการดูจิตล่ะคือรู้ทันจิตใจของตัวเองไปขันมันแยกแล้วนะต่อไปนี้ดูไกลยเขาทํางานดูใจเขาทํางานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆ อย่าไปน้อมใจอย่างนี้อย่างนี้จะน้อมให้นิง่งอย่าไปน้อมให้ซึม ใ, จใจมช้ใจที่เป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมตาลืมตายิ้มหวานหวานอาปากด้วยรู้สึกไหมใจอย่างนี้ถึงจะดีรู้สึกค่ะใจที่ไม่ได้มีมัรยาของนักปฏิบัติพวกเราพลาดตัวเรามีมัรญาของการเป็นนักปฏิบัตินะัวางฟอร์ม ใจที่ดีที่สุดคือใจธรรมชาติที่สุดเลยเราใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยไปรู้กายแล้วก็จะเห็นความเป็นธรรมดาของกายเราใช้ใจที่เป็นธรรมดานะไปรู้จิตใจของตัวเองี่เห็นความเป็นธรรมดาของจิตใจนะถ้าเอาใจที่ผิดปกติอย่างขณเ น, นี้ใจผิดปกติแล้วใจแข็งแข็งนะไปรวบเข้ามาไปบังคับตัวเองยิ้มก่อนยิ้มก่อนลืมยิ้มด้วยเยคนนี้เนี่ยใช้ใจสบายอย่างนี้นะ เนี่ยเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเนี่ยอย่างนี้พอใจเราสบายนะเราเห็นใ้ตัวนี้พยักหน้าแะตัวนี้ไม่ใช่เราแล้ะเนี่ยดูอย่างนี้หน้าขันมันแยกแล้วไปฝึก อ, อีกขอบคุณค่ะกลับรัศการครับหลวงพ่ อ, อ, อผมได้ฟังเรื่องเอโกทิภาวะเมื่อได้เข้าถึงชั้นสองนะครับนี้ผมนี้ก็สงสัยจะถามว่าถ้าเรามีวิตกวิจารณ อ่าใจจดจ่ออยู่กับคําบริกรรมตรงนี้ถือว่าเป็นฌานหนึ่งแล้วหรือยังครับต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับถ้าเรายังแค่ยังบริกรรมไปเรื่อยๆเนะี่ยไม่เข้าฌา<อ>นนะงั้นแค่บริกรรมเนี่ยอย่างมากที่สุดได้อุปจาระเท่านั้นนะงั้นจิตนย่างบริกรรมไปบริกรรมไปนะจิตสงบลงไปมันทิ้งคําบริกรรมนะแเราก็เห็นความสว่างไสวของจิตขึ้นมา พอใจมันสว่างขึ้นมาเนี่ยตรงที่เราเห็นแสงเนี่ยนะก็ยังไม่ถึงฌานนะถ้าจิตมันตรึกอยู่ที่แสงแนละ้วก็เล่นแสงได้ด้วยนะเล็กได้ใหญ่ได้อะไรเนี่ยอยากให้กว้างก็ได้ให้เล็กก็ได้เวลาเล็กนั้นมันแสงมันจะเข้มมากเลยเราเล่นได้ตามใจชอบนะใจมีวิตกตรึกอยู่ที่แสงมีวิจารณ์หรือเค้าอยู่กับแสงนะอยู่กับปฏิภาคนิมิตพอใจเรา ตกคือตรึกอยู่ในปฏิภาคนิมิตวิจาฉาเคล้าเคลียอยู่กับปฏิภาคนิมิตนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะจิตรวมลงไปเป็นหนึ่งอยู่นะตัดการรับรู้อื่นๆอนอกนะอยู่กับดวงนิมิตนี้นะอันนี้เราจะได้ฌานที่หนึ่ง <c oughs> ต่อมาจิตมันรู้ทันว่าจิตนี้เคลื่อนไปอยู่ที่ดวงนิมิต ด, ดวงปฏิภาคนิมิตจิตวางดวงปฏิภาคนิมิตนะทวนกระแสเข้ามาอยู่ที่จิตจะได้เอกภูที่ภาวะฌานที่สอง <Okay. S 2> ของของขอ ง, ของคุณยังนะมันยังไม่เข้าชาาันครับถามนิดหนึ่งครับตรงที่ตรงเลื่อนขึ้นชันสองเนี่ยครับเราเป็นคนทิ้งวิตกวิจารเองเหรือว่าจิตเขาทิ้งเองแต่ถ้าเราชํานาญเราจริงได้ถ้าเรามีวัตสีนะเราก็จะเล่นชันขึ้นชันสองชันสามชันสี่อะไรนี้ขึ้นขึ้ น, น ล, งลงลงตามใจชอบอยู่ที่วัตสี ความชนานาญแต่หันใหม่ๆหน้าแค่ให้จิตรวมมันก็เด้งดึงขึ้นมาแล้วละ่ะนั้นมันไม่ยอมรวมเป็นแม่เราไปปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วขึ้นเป็นเหมือนนั่งสั ป, ปงกบมาปุ๊บขึ้นมาแล้วไอ้ยเข้าชาญหรือเปล่าไม่ใช่มะไม่ใด้ได้ชาญขนาดนั้นนคหน้าขอบคุณครับไปฝึกเข้าไปอยากได้ชาญเหรือ อ, อยากได้ชาญต้องไปบวชคารว่าเล่นยากคาว่าอยู่กับกาม อยู่กับความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอันนั้นเป็นค่าศึกของสมาธิถ้าใจอย่างเราเป็นนักบวชนะไม่หมกมุ่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเราก็ภาวนาของเราไปทั้งวันเลยแต่การจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานเนี่ยมันอยู่ที่ของเก่าด้วยจะได้ขนาดไหนมันไม่ได้ทำชาติเดียวเสร็จทากันมานานกว่าจะทาได้ ยิ่งจะให้เป็นวั ส, สีนะทำมา น, นานหลายชาติค่อยๆฝึกไป <Okay. S 1> เอาของที่ดีที่สุดนะคือวิปัสสนาสมาธิเพียงสมาธิชั่วขณะปนิกาสมาธิใจไหลแล้วรู้แค่นี้ก็พอแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานเอง <Okay. S 1> แล้วพอได้โสดาปฏิมรรคแล้วเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติทุกคนแหละ okay. ขอบพรคุณครับกลับมาเศการค่ะหลวงพอ่อส่งกันบ้านในรอบสามเดือนค่ ะ, อะตอนนี้ก็คือปฏิบัติตามหลักที่หลวงพ่อสอนมาได้ห้าเดือนนะคะตอนสองเดือนแรกที่ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อก็บอกว่าปฏิบัติถูกแล้วแล้วก็ขันแยกแล้วอะคะ่ะก็มีสภาวะมาถามหลวงพอ่อคือเริ่มต้นที่หนูปฏิบัติก็คือที่พิจารณาร่างกายอะคะ่ะดูปฏิโกณอสุภะแล้วก็พอช่วงหลังมามัน ไปเห็นเป็นร่างกายเป็นโครงกระดูกอะค่ะแล้วก็ไล่พิจารนาไปจนกระดูกมันสลายไปหมดค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ค่ะอันนี้คือจิตรวมใช่ไหยคะจิตรวมนะจิตรวมลงไปทิ้งกายไปเลยเลยที่จิตันเดียวใช่ค่ะนี่พอออกมาแล้วเนี่ยตลอดชาตินี้ก็ขันแยกนละค่ะก็คือจะเห็นใจนี่แยกกันตลอดายกับใจแยกกันชัดเจนขึ้น แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือก็จะเหมือนจะโลบอะค่ะอยากให้มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่เคยเห็นจิตโลบไม่มีใครได้ดีเพราะโลบหลอกโลบเป็นกิเลสก็หลังๆมาก็จะฟงซานแต่ว่าก็จําที่หลวงพ่อสอนกันบ้านเขาที่แล้วว่าให้ไปดูกายเป็นฐานไว้แล้วก็ต่อไปจะเห็นจิตก็ก็คือจะใช้ดูกายเป็นฐานไว้แล้วก็มันก็จะเห็นจิตเริ่มเริ่มเห็นจิตแล้วอะค่ะเรินเห็นถูกถูกขึ้นมาค่ะจะเห็นจิตมันทํางานค่ะดีไปทําต่อทําถูกแล้วไหมแต่ถ้าที่ฟงซานไปนิดนึง ต้องทําเข้าสมาธิอีกนะทำสมาธิทำสมาธทุกวันทําสมาธะออกมาจากสมาธิแล้วอยู่ข้างนอกเนี่ยเจริญปัญญาไปเห็นแกาเห็นใจทํางานไปสมาธิไม่จริ้งนะของดีของวิเศษไม่จริ้งหรอกคขอบพระคุณทั้บางคนหลกพ่อให้ทิ้งสมาธิเพราะไปทํำมิจฉาสมาธิ นมาส ก, การครับหลวงพ่อส่งกันบ้านรอบหกเดือนครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตสว่างออกนอกให้เพิ่มลักขณูปณิชานครับผมก็ไปดูจิตที่ไหลออกนอกแล้วผมรู้สึกว่าทั้งในชีวิตประจำวันทั้งในรูปแบบนะครับจิตตั้งมั่นได้ถี่ขึ้นครับดีเสีท่านบอกให้ทําแล้วทํำนะก็ต้องดีแหละครับหลวงพ่อแล้วก็หลว ง, งพ่อก็ให้อีกข้อนึงคือว่าให้โอปปนิยโกครับให้อปปนยโกกับเข้ามารู้ทุกอันเนี้ยคือ การที่ผมสังเกตนะครับมันต้องอาศัยจิตที่สงบนิดแล้วก็ตั้งมั่นก่อนใช่บริโรกภคเข้ามารู้ทุกข์ถ้าไม่มีสมาธิจะเจริญปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตต้องตั้งมัน่นถึงจะเจริญปัญญาได้แต่ไม่ใช่จิตเข้าฌาญ น, นะเหมือนจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิแท้ของพนะุทธส่วนจะเป็นฌาญไม่เป็นฌาญไม่สําคัญแล้อย่างเนี้ยพอจิตตั้งมันนะ่นแะมันก็จะดูกายดูใจได้ แต่ช่วงพอดีช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมคลุกคลีกับโลกเยอะไปนิดนึง่ะครับอยากให้หลวงพ่อขนาให้เต็มที่เลยครับผมมันจำเป็นต้องคลุกไหมล่ะส่วนใหญ่ไม่จำเป็นเลครับเออเหลวไหลครูบาจารย์ไม่สั่งสอนกราบขอบพระคุณครับ การมาสักการหลวงพ่อค่ะว่าไงหนูมาส่งการบ้านครั้งที่สองอะค่ะครั้งที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยให้หลวงพ่อกระนับกระนับทีเดียวจ่อยไปเลย <c oughs> <c oughs> ให้รู้ทันเลยนะรู้ทันมันเข้าไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกอยู่นะดีถ้าเราอดทนเราคอยรู้คอยเห็นนะชาตินี้คงได้อะไรบ้างหละดูไปห้ามจ่อยนะจ่อยไม่ดีคือหนูเห็น อัตตาตัวตนตัวเองทั้งวันเลยอะทุกอย่างที่ที่ <จะ S 1> เรา ค, ค, คิดนะจะพูดจะทํานะไอ้นี่ซ่อนอยู่ข้างหลังน ะ, ะมันทําเพื่อเซอิฟอัตตาตัวตนเท่านั้นนะดีที่เห็นทุกคําพูดทุกการกระทําหรือแม้แต่การหายใจเข้าหายใจออกนี่แต่ว่าเราไปเกลียดมันะใจไม่เป็นกลางไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยมันไม่ดีะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะแล้ว ร, รู้มันไป ใ, ใจที่เป็นกลางได้เห็นสิ่งซึ่งเห็นยากแล้วล่วนะอัตาตัวตนเนี่ยแฝงอยู่ทุกการกระทำทั้งการคิดการพูดการกระทำทางร่างกายนะแฝงอยู่ทุกอย่างเลยอย่าไปท้อใจได้เห็นแล้ววันหนึ่งก็ชนะถ้าไม่เห็นน่ไม่มีทางชนะเลยหนูไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยทาเป็นอนาปารเนี่ย มันจะมักจะไปเห็นสิ่งที่ไม่ต้องการเห็นนะคะเห็นอะไรเห็นลอตเตอรี่เลยคือเห็นเอพวกพูดอะไรเงี้ยค่ะในในฝั่งดีนี่นะเออไม่เห็นเป็นไรเลยเขามาขอความช่วยเหลือหรืออะไรใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีบุญอ่ะเขาก็ต้องมาหาสิก็ถูกแล้วนี่ก็เลยกลัวเลก็ รู้สึกว่าไม่ได้นอนนะคะอทั้งที่ที่ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ไปเที่ยวที่อื่นนะคะอันนี้หลวงพ่อเคยเป็นแล้วไปถามหลวงปู่เทศนะว่าทํำไงดีนะจิตมันออกรู้ข้างนอกตลอดเลยนะทั้งคนทั้งผีท่านบอกว่ามันไม่แก่กล้าพอถ้าภาวนาจนแก่กล้าพอนะมันไม่รู้หรอกไม่ออกไปรู้ข้างนอกนนถ้าต้องการรู้ก็รู้ไม่ต้องการรู้มันก็ไม่รู้ไม่สนใจ ตอนนี้ใจมันคอยภาวะภูมิสนใจข้างนอกนะพอรวมลงมานิดหน่อยนะมันคอยระแวงระแวงนะจะยิ่งออกไปรู้เร็วขึ้นอขึ้นมันมีอยู่วิธีหนึ่งนะคือเห็นบ่อยๆเราก็ชินไปเองก็มันจะเห็นนะทำไงได้ต่อนะไปเห็นแล้วก็งั้นงันะ่ะมันก็เหมือนเราดูหนังอะ่ะชี้แจงนิ้สิแล้วนะมันมาหักคอเราก็ไม่ได้ อย่างมากก็แลบริ้นแหกอกอะไรเงี้ยนี่ น, นีหน่อยๆกลัวเรือก็มีกลัวด้วยอะค่ะห <c oughs> นูย้อนกลับไปดูในร่างกายของหนูนะหนูจะเห็นพูดตัวหนึ่งเหมือนกันมีผีโครงกระดูอยู่ตัวหนึ่งนะแล้ว <c oughs> ตอนย้อนกลับมาที่ตัวเองย้อนเข้ามา <c oughs> พอเราเห็นของตัวเองแล้วนะกับข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรน่าตกใจอีกต่อไปมันตกใจเพราะเราคิด ถ้าจิตทรงสมาธิอยู่ขณะที่เห็นเนี่ยจะไม่ตกใจรู้สึกไหมตอนที่เห็นน่ยไม่ตกใจไม่ตกใจแต่ว่าเราจะไปกลัวอะไรตอนที่เห็นไม่ได้ตกใจมันมากลัวตอนที่ไม่ได้ทําสมาธิอยู่มากลัวทีหลังอ่ะหรือกลัวล่วงหน้าก็มีทั้งสองแบบนั่นแหละที่กลัวมันก็ไม่ไม่กลัวล่วงหน้าก็กลัวตามหลังถ้าตอนที่เจอเนี่ยไม่มีกลัวสักคนเลยเพราะอะไรเพราะขณะที่เห็นเนี่ยจิตทรงสมาธิอยู่ไม่กลัวใครหรอก นะเพราะงั้นหนูไม่ต้องไปกลัวหรอกขณะที่สัมผัสกันจูนต่อกันได้พอดีเนะี่ยเขากลัวเราอย่างนั้นหนูควรทำในรูปแบบต่อไปใช่ไหมรรูปแบบไม่ทิ้งนะแต่ว่าถ้าใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านให้รู้ว่าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะไปดูพูดนะแต่ถ้ามันรู้มันเห็นนะช่างมันแต่ไปรู้แล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะถึงไงมันก็ต้องรู้นะานาไปคนมันเคยเห็นนะยังไงมันก็เห็น ถ้าคนไม่เคยเห็นนะพอนาให้ตายก็ไม่เห็นหรอกพวกเราใครพรานามาช่วงหนึ่งแล้วยังไม่เคยเจอผีเลยยกมือซิเวอร์ชั่นนี้ไม่เจอหรอกนะถ้าพวกจะเจอนะพอนาวันเดียวก็เจอแล้วนะมันแล้วแต่นิสัยนะเพราะฉะนั้นหนูว่ายังไงก็เจอ <c oughs> <c oughs> กลัวไม่กลัวก็เจอนะเพราะฉนั้นฝึกกับเราไปไม่ต้องใส่ใจแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไปเรื่อยๆแค่นั้นพอแล้วละ่ะนะต่อไป เขาเป็นมิตรกับเรานะเขาเป็นเพื่อนเราทําความรู้สึกเลยเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราถ้าทําความรู้สึกอย่างนี้ได้นะเขาช่วยเราอีกนะเกิดฉุกเฉินอะไรมันช่วยได้เหมือนกันนะในขอบเขตของกรรมอต่อไปกลาบขอบคุณหลวงพ่อค่ะยังไม่ค่อยหายจ่อยเลยหวะฮะ <c oughs> บอกว่าท้าให้หลวงพ่อกรหน่ำให้เต็มที่เลยภ <c oughs> าวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจะกังวลอะไรนะ รู้สึกไปดูเข้าไปตรงๆดูไปที่ความรู้สึกจ่อยตรงๆ ร, รู้ลงไปสิเป็นของแปลกปลอมไม่ใช่จิตเราหรอกจิตเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นดูลงไปเรื่อยๆดูสบายๆกรับนามัสการหลวงพ่อครับรู้สึกหรือเปล่าว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับนะแต่ก่อนโทสะเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็เยอะแต่สติเร็วครับ <laughs> <laughs> ก็เคยฟังซีดีหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรกครับเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสักแปดถึงเก้าปีที่แล้วฟังแผ่นแรกนะครับก็ฟังไม่รู้เรื่องมึนแล้วก็เลยไม่ได้ฟังอีกเลยครับก็มาฟังช่วงหลังประมาณสักสองสามปีรู้สึกว่าพอฟังไปเรื่อยๆก็เข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆครับใช่กระทั่งแผ่นเดิมนะสมมติว่าเรามีอยู่แผ่นเดียวฟังแล้วฟังอีกเนี่ยความเข้าใจของเราจะไม่เหมือนเดิมะเพราะลักษณะของธรรมะเป็นอย่างนั้น ใจเราสูงขึ้นนะเราจะฟังประโยชน์เดิมเนี่ยแต่เราจะเข้าถึงธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกค่อยๆฝึกไปนะฝึกมาถูกทางแล้วสาธุครับแล้วก็ทีนี้เนื่องจากว่ารู้สึกตัวนะครับว่าเป็นคนคิดเยอะแล้วก็โทสะเยอะนะครับคือเวลาจะเห็นอะไรเนี่ยมันจะคอยคิดไปหมดทุกอย่างทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ที่เห็นเนี่ยหรือที่ที่รู้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปด้วยหรือเปล่า รู้ถูกแนละ้วรู้ได้ดีละคนที้มโมโหนะเป็นพวกปัญญากล้าเนะี่งดูไปทัวอย่างเป็นอนัตตาดูไปเรื่อยๆจริตเดียวกับหลวงพ่อเลยเราอะหลวงพ่อเนี่ยพวกนักเลงนะแต่ไม่ใช่อันตรพานนะนักเลงกับอันตรพานไม่เหมือนกันนะครั บ, รบทีนี้อย่างตอนเมื่อกี้เนี่ยจริงๆจับฉลาดคือตั้งใจใจคุณแม่ จับฉลากด้วยแต่คุณแม่จับไม่ได้ผมจับได้นะครับแล้วแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ข้างบนครับ <c oughs> คุณแม่ยกมืออยู่โน้นนะครับคุณแม่อยู่ทางทางทางด้านโน้นครับแคุณแม่ยืนนยครับคุณแม่ช่วยยืนนะครับคุณแม่อายุเจ็ดสิบสามแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาหลายสายเอ อ, เ อ, อนั่งลงไปนั่งได้นั่งได้ครับแล้วก็ ค, คุณแม่เคยคือเคยไปปฏิบัติแล้วก็คุณแม่เห็นกระดูกแล้วก็สลายเหลือจิตเด่นดวงอยู่ดวงเดียวทีนี้เขาก็แผ่เมตตาแล้วเขาก็เ อ, อไม่รู้จะทำอะไรต่อครับแม่กับลูกจะริตคล้ายๆกัน <c oughs> ถอดแบบกันมั้งพอเหลือจิตดวงเดียวนะพอออกมาเนะี่ยดูเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะถัดจากนั้นก็ดูความรู้สึกทั้งหลายไม่ว่าจะความรู้สึกโกรธความรู้สึกอะไรขึ้นมานะ ก็เห็นว่ามันมาเองไปเองไม่ใช่ตัวเราดูสภาวะทั้งหลายนะที่มันเกิดขึ้นให้เห็นว่ามันเป็นไปเองมันเกิดเองดับเองนะดูตัวนี้ได้่อยตอนตอนที่จับฉลากได้แล้วนั่งอยู่แล้วเดินลงมาเนี่ยเอเห็นร่างกายนะครับเห็นหัวใจเต้นแล้วก็หน้าอกเนี่ยมันกระเทือนอกระเทือนอยู่โดยที่เราเราก็ไม่ได้บังคับนะครับก็ดูๆไปพอฟังหลวงพ่อก็ลืมไปหายไปสักพักก็ พอเรามารู้อีทีก็กระเทือนใหม่มันก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับห้าไม่ได้นะมันตื่นเต้นนะั้นถ้าเราไม่ได้จับฉลากมันก็ไม่เป็นอย่างเนี้ยครับปนะีที่จับฉลากได้ครับดีครับจะรู้สึกเปล่าว่าใจวิ่งมาที่หลวงพอ่อคับนะไปปล่อยเดี๋ยวเรารู้ทันพุ้บ ม, มาอย่างเงี้ยปลูบไปอย่าดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นขนาเนี้ยดึงนะไม่ดึ ง, งปล่อยให้เขาทางานไปแต่ไม่ให้เขาหลงไปหลงเรารู้หลอ ง, งเรารู้ไป ไปฝึกอีกไปให้ฝึกได้ดีครับก็ไม่เลยไม่แน่ใจว่าแยกกายแยกจิตนี่คือจริงจริงเปแบบประมาณนี้ใช่ไหมคะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะใชแค่รู้ๆไปใช่ไม่ใช่แยกเอาจิตไปอยู่นอกกายนะครับครับบางคนบอกผมแยกไม่ได้เลยจิตยังอยู่ในร่างกายยังไม่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาไม่ใช่ค่ะแน่นจิตออกนอกครับครับทีนี้จะพวกเรียนถามหลวงพ่อเรื่องคุณแม่สุดท้ายนะครับก็คือว่าคือคุณแม่เนี่ยเท่าที่สังเกตอยู่กับเขามาหลายปีเนี่ย คุณแม่เขาจะชอบชอบไปทางฤทธ์นะครับชอบก็ชอบไปทางฤทธ์นะฮะชอบฤทธ์ชอบคุยกับเทว ด, ดาชอบคุยกับปีศาจนางไม้คือหมายถึงว่าชอบตอิดต่อหรือว่ า, เ, าเรียกลมเรียกฝนอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาจะชอบอ่ะครับดีนะฝนแรงๆนะช่วยเรียกหน่อย <laughs> <laughs> ที่วัด น, นะฝนไม่ค่อยตกนะโยม <laughs> ท, ทีนี้ผมก็กลคุณแม่ก็จะจะมันอยู่ที่รจริตนิสัยคนนะครับางคนไปห้ามแล้วเฉาไปเลย ให้เล่นเหอ่อย่าผิดสีนิ้วลักกันแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสไปเท่านั้นพอแล้วลวนะไปห้ามซุบสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวแม่เสง่งอย่าลืมนะวันหลวงพ่อแรงสาธุา<ต>ครับปรบคุณครับหลวงพ่อแต่ปีนี้ปลายปีเขาว่าฝนจะเยอะนะถึงยุคลานียาอีกแล้วเอาว่าไปกราบรรมสกานชัวค่ะ คือคําถามที่จะถามหลวงพ่อได้เกินตั้งแต่ตอนลรกคือเรื่องการพิจารณาธาตุเพราะว่าเอิญหนูไปสนทนาทากับพระอาจารยา์รูปหนึ่งไม่เอินใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูไปตั้งคําถามที่ว่าควรพิจารณากรรมฐานข้อไหนท่านก็พูดถึงเรื่องการพใชรณาธาตุซึ่งหนูคิดว่ามันยากแล้หนูไม่เข้าใจมันเหมือนเป็นนามธรรมมากแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากได้คําตอบประมาณนึงทีนี้สมาธิที่หนู เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ปฏิบัติมาหนูไม่เคยเห็นนิมิตเเจ้าค่ะไม่แทบจะไม่ค่อยเคยเห็นแสงสว่างแต่มันจะนิ่งอยู่แล้วก็เสียงข้างนอกหนูรับรู้แต่มันเหมือนกำมีอะไรครอบหนูอยู่แล้วมันเข้ามาไม่ถึงแล้วก็ถ้าจะมีความคิดที่ปรุงมันก็จะตัดตัดคือมันไม่ทันปรุงออกเป็นรูปอะไรค่ะมันจะอยู่แค่ประมาณนี้ก็เลยไม่ไม่ทราบตัวเองว่าคืออย่างที่ถือว่าอยู่ในฌานหรือเป็นแค่สมาธิมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เจ้าค่ะนะไม่เป็นฌานหรอกไม่มีปีติไม่มีความสุข อยู่ไปแบบโหดๆอย่างนั่นเองอัน น, <มา S 2> นี้คือนิชฌาสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใคล้ายๆไปทรงไวเฉยๆอ่างนี้นดูออกไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนี่ยเรางพา่อทำเก่ง น, นะไอ้ที่ผิดๆให้แกงเก่งๆอย่าไปทําไม่มีประโยนชน์เจ้าค่ะพอออกมาแล้วจะไร้กว่าเก่าเป็นโพลโทสากจริดใช่เจ้าค่ ะ, คะออกมาแล้วจะยิ่งโทสามากกว่าเก่าอีกนะ งื่นเราพยายามอยู่ในชีวิตอย่างนี้นะเจริญเมตตาไปเรื่อยบริกรรมเจริญเมตตาไปเมตตาคู่นงอารหังเมตตานะแล้วก็รู้ทันใจไปใจมีนสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจโลภใจโกรธใจหลงก็รู้นะบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันใจไปเรื่อยไปได้ดีกว่าไม่งั้นจะไปนั่งเพ่งอยู่ในหลุมหนึ่งนะนะั่นแหะสาธุเจ้าค่ะพอบคุณเจ้าค่ะท่าเล่นยากไม่ใช่ใครๆก็เล่นได้ต้องทรงฌาน ครับนมัส ก, การหลวงพ่อครับคือเวลาปฏิบัติในรูปแบบบางครั้งเนี่ยมันก็แข็งตึงแตอนนี้พอขยับขยับร่างกายเล่นหายใจเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายอันนี้แล้วก็บางทีก็จะรู้สึกว่าจิตมันดับแล้วเกิดใหม่อะไรแบบประเภทแบบนี้คือตอนที่มันเครียดตึงนี่คงจะเป็นเพราะเพ่งหรือเพาไปอะไรพวกนี้ใช่แล้วอพอคล้วก็เคลื่อนหไหวไปกระดุกระดิกไปนะลืมการปฏิบัติตอนนั้นไปมันหลุดออกมาครับ แล้วก็สักพักมันก็จะสบายมันก็จะรู้สึกว่าจริงจจิตถ้ามันตั้งมันมันอยู่แป๊ดเดียวมันก็จะไปเกาะที่อื่นถูกแล้วเสร็จปั๊บมันก็จะแข็งเประหรืออะไรก็ขยับตัวช่วยมันสามจังหวะครับอันแรกมันหลงไปครับรู้ทันมันก็ตั้งเสร็จแล้วถัดจากน้ําันจะไปบังคับตัวเองกลัวจะไหลอีกนะครับมันก็เลยไปแข็งขึ้นมาครับพอแข็งขึ้นมาแล้วขยับขยับลืมการปฏิบัติไปมันหลุดคราวนี้การที่ขยับหรือว่าหายใจอะไรพวกนี้ย มันก็จะหลุดมาแล้วมันต้องบอกว่าจิตมันดับแล้วเกิดใหม่ออย่างนี้เป็นการจงใจหรือเกินไปไหมครับได้ทาได้ใช่ไหมครับเ ร, เราไม่ได้จงใจให้จิตเกิดดับเราแค่จงใจขยับแล้วเราไปเห็นจิตเกิดดับเองครับนะเราก็เห็นจิตว่ามันเกิดดับได้เองเดี๋ยวนั้นอะไรใช้ได้ตอนนี้การปฏิบัติในรูปถืว่าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าปฏิบัติในรูปแบบอันนี้พอนอกรูปแบบในชีวิตประจําวันเนี่ยฮะคือบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมามันจะมันจะเหมือนกับว่ามีมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย ผมมันเป็นอะไรรูปร่างเลยบอกไม่ถูกเราก็แค่เห็นว่ามันเกิดปั๊บแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เอ่ออออืมย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ใช้ได้ไหมฮะเราต้องดูตัวนี้ด้วยเราเห็นทุกอย่างเกิดดับเลยแต่ตัวนี้เราประคองอยู่หรือเปล่าต้องไม่ประคองตัวรู้นะเรารเห็นทุกอื่นตัว อ, อื่นเกิดดับตัวรู้ก็เกิดดับ ถ้าตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้<ๆ>เดี๋ยวก็เป็นตัวชิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี<ๆ>๋ยวเป็นตัวเพ่ง<ๆ>อย่างนั้นถึงจะใช้ได้ถ้าเป็นตัวรู้ตลอดเวลาเนี่ยใช้ไม่ได้ครับคือมันต้องเหมือนกับพอขยับตัวหรือวหรือว่าหายใจอะไรพวกนี้จะรู้สึกว่าไอ้ไอ้ตัวที่เป็นตัวรู้อยู่เนี่ยมันมันมันดับเปลี่ยนไปดีนะอย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดรเราใช้กายเป็นวิหารธรรมร่างกายเคลื่อนไหวเราเห็นจิตนะใช้ได้ตอนนี้คือถ้าที่ปฏิบัติมาเนี่ยมัน รู้สึกอารมณ์อะไรต่างความรู้สึกอะไรต่างเนี่ยมันรู้สึกมันจะแอ็กซ์มันจะเออ่ความดูเดือดอะไรต่างหรือว่าอะไรต่างมันจะน้อยลงตรงนี้ก็เลยเป็นคําถามว่ามันติดเพลงด้วยหรือเปล่าครับปกติปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนที่ไม่ได้อยู่ในห้องเนี้ยไ ม, ไม่ไม่เหมือนนะฮะตอนตอนนี้มันตอนนี้มันเกร็งถูกแล้วถ้าอย่างนั้นปฏิบัติใช้ได้มันตอนตอนนี้มันเกร็งแล้วเหมือนว่าเหมือนเหมือนจิตถ้าขยับ อะไรพวกนี้มันก็จะเบาลงแล้วนะแล้วขยับไปครับเราใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นมิหาาธรรมตอนนี้คือการที่ผมความรู้สึกโกรธมันสั้นลงหรือว่าวสติเราเร็วขึ้นไม่ใช่เพราะผมติดเพ่งใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ครับตอนนี้คือเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมันมันติดมันมันมันติดเฉยอันนี้ผมกลัวเราสังเกตเอาสิติดเฉยนะไม่รู้ร้อนรู้หนาวเฉยเยใครว่าเฉยอะไรก็เฉย แต่ถ้าเราไม่ติดเนี่ยกระทบอารมณ์นะเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจความรู้สึกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแต่สติเราเร็วความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นแป๊บก็ขาดแป๊บก็ขาดแต่ถ้าติดเฉยเนะไม่ไม่รู้สึกอะไรใครชมก็เฉยใครดา่าก็เฉยคือการที่บางทีผอมีความรู้สึกเดี๋ยวว่าอะไรมากระทบจิตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาผมเรียกไม่ถูกฮะมันเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องเค ร, รียดเชื่อคือแก้แค่เฉยเฉยรู้ให้มันเกิดมันดับอย่างนั้น อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่ผิดใช่ไมครัหลวงพ่อไม่ผิดอ่ะออแล้วก็เ อ, อคือจะถามว่าคือเรื่องเรื่องเรื่องที่ผมจะเรียนถ่ายมีข้อหนึ่งครคือว่าที่หลวงพ่อเทศในซีดีที่ฟังมาตลอดเนี่ยคือเรื่องการเจริญสติการเจริญปัญญาแต่เท่าที่ฟังเหมือนแล้วว่าจริงๆผมทําได้แค่เจริญสติคือปัญญาถ้ามันจะเกิดเห็นเกิดดับมันต้องเกิดเองตรงรที่ตรงที่เราเห็นสภาวะเกิดดับนะเนี่ยเราใจมันเริ่มเรียนรู้ค่ะมันเจริญปัญญาอยู่ เจรปัญญาจ ร, จริงๆมันจะปิ้งขึ้นมาช่วงขณะเดียวเท่านั้นเองตรงที่เข้าใจอ่ะความเข้าใจเนเกิดในพริบตาเดียวเท่านั้นแต่ในขณะที่เรียนรู้เนี่ยก็เรียนไปเรืเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็ถือว่าเจริญปัญญาอยู่คือแก่เจริญสตินี่พอไหมครับหลวงพอ่อคือจเจริญสติไม่พอจเจริญสตินะมันก็คแค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะถ้าจะเจริญปัญญานะ่ยต้องเห็นว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่มันตกอยู่ใต้ใจรักด้วย ตัวที่ไปรู้การหายใจก็ตกอยู่ใต้ใจรักด้วยถ้ามันไม่เห็นนะคิดพิจารณาออคือใช้วิธีมองในแง่มุมนั้นใช่ไหมใช่แต่นี้กรณีแบบว่าคือแต่ถ้ามันจะเกิดปัญญาให้เห็นเกิดดับมันต้องเกิดเองคือมันตอนนี้มันเห็นแต่ว่ามันไม่ยอมไหมายความเป็นไตรักนะสติมันทํางานถ้ามันไม่ยอมดูใจรักษนะไม่ยอมมองในมุมของไตรักเนี่ยคิดพิจารณานิดหน่อยพอจิตมันชํานาญในการดูใจรักแล้วมันจะดูใจรักเอง คือคอหมายถึงว่าการเจริญปัญญาหมายว่าเราก็เจริญสติตามปกติคือใช่จิตไหลไปปุ๊บรู้ว่าจิตไหลไปใช่ทําแค่นี้พอไหมฮะก็เห็นมีสัญญาหมายรู้นะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยครับคือมองในแง่มุมนะั้นแต่ถ้ามันจะเห็นเกิดปัญญามันมันต้องเกิดเองมันเกิดเองคือ <c oughs> จะไปพยายามให้มันเกิดไม่ได้เราไปหมายรู้มีสติรู้ไปนะแล้วมีสัญญาหมายรู้นะตามานะเป็นไตรลักษณ์เนะี่ยถึงเวลานี้ปัญญาเกิดเอง เ้าเกิดในช่วงพิบตาเดียวมันเราไปบังคับอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับหลวงพ่อคือบางทีมันก็หลงไปยาวบางทีพอเกิดอะไรขึ้นมากระทบจิตมันจะจะรู้แต่ว่ามันมันไม่ได้มีอะไรกับมันกระทบจิตทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะจันตอนนี้คือจะไปนั่งหลับตาในรูปแบบทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวคือตรงนี้อยากจะไปหาอะไรทําที่จริงมันกระทบแต่อารมณ์มละเอียดแล้วก็เลยเห็นว่าไม่มีอารมณ์ นะมันมีอารมณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยมีความรู้สึกเกิดตลอดเวลายังไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยสังเกตไหมที่ว่าเฉยเนี่ยไม่คงที่ครับเดี๋ยวก็แอบเจือความพอใจเข้าไปอนะย่างไม่แย่ตอนส่งเงินบ้านตอนทายทๆนะรู้สึกไหมมันเริ่มอิโมโวกิมใจนะมันแทบความพอใจเข้าไปด้วยลนะนะมันไม่ได้ว่ามันเฉยๆตลอดหรอกรนะเราค่อยๆสังเกตเราเห็นมีตะของปรูแต่งขึ้นมาดีภาวนา กำลังสมาธิผมยังน้อยไปต้องเพิ่มหรือลดหรืออะไรไปครับตอนนี้อยู่กับปัจจุบันไปไปแบบอย่างที่อย่าคิดเยอะคิดเยอะไปครอย่าคิดเยอะหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําเกี่ยวเรื่องการเป็นปัติของผมนี่ไงอย่าคิดเยอะดูไปถ้าคิดก็คิดแต่แต่รักอย่าไปหาเหตุหาผลมากไปครับอ๋อครับครับในรูปแบบต้องทํามากกว่านี้ไหมครับคือเอาแบบขนาดนี้พอแล้วล่ะครับมากกว่านี้เครียดกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ เราได้ฟังธรรมกันมาตามสมควรนะครับในโอกาสสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านกล่าวคำถวายทานนะครับทุกท่านน้อมจิตตามไปได้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปามโมตปามโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตราบสิ้นกาลนานเชิเยะถาอริวหะปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวเมีวัยโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะาอภาิวาธนาศีลิสนิจังมุทาปจายิโนจ ต, ตารโรธรรมาวันตีอายุวันโน ส, สุขังพระลัง ส, สาธุเจภาอนานะหายฝอยังน่าสงสารอาจเชิญทุกท่านกราบหลวงพ่อครับ